น, นี่เขาเรียกสันเลคาธรรมเขาให้จําไว้แล้วก็เอาไว้สาธยายให้สังเกตคําว่าสันเลคาธรรมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอากลับมาดูดิเขาแปลว่าอะไรสันเลขาธรรมว่าด้วยทําเครื่องอะไรขัดเกลาอะไรขัดเกลากิเลสให้สังเกต ด, ดูนะทําเครื่องขัดเกลากิเลสมีกี่อย่าง นั่นแหละก็ให้เราตั้งอัธยาศัยถ้าใครสาธยาไว้เป็นอัธยาศัยแล้วจะเป็นการตั้งเจตจานงและความจงใจตั้งใจที่จะละบาปแล้วก็จเจริญกุศลที่ต้องการขัดเปลาตัวเองเขาให้จเจริญ44หัวข้อนี้ทีนี้ในพระสูต ร, ตรนี้ไปกล่าวไว้ในมัชฌิมานิกายมูลปัญนาตในมูลปัญนาต เป็นในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันกล่าวสูตรเนี้ยอารามของท่านอนาถาพินทิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวถีใครเคยไปยังไปเชตวันมาแล้วเนี่ใครยังไม่เคยไปก็หมายตาไว้เดี๋ยวไปฟังสูตรนี้ที่นุ่นดีไหม <c oughs> ไปที่นุ่นแล้วก็ไปไปเทศสูตรเนี้ยเดี๋ยวคร่าวๆสรุปประเด็นให้ฟังก่อน ไม่บอกรายละเอียดเยอะก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั่นแหละในเวลาเย็นท่านพระมหาจุนทะรู้จักพระมหาจุนทะไหมไม่รู้อีกจุนทะนี่เป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับภาษาลิบุตรฮะ พระจุนท่านี่เป็นหลานที่เป็นคนเอาพระบุเอาพราตของท่านพระสารีบุตรมาจากนารันทาแล้วก็เอาไปเฝ้าพระเจ้าจําได้ไหมที่เล่าันก่อนจําได้ไหมที่พระสารีบุตรไปนิพพานที่นารันทาที่บ้านเกิดเสร็จแล้วก็มีการเผาศรีระท่านเหลืออธิธาต์ท่านพระจุนท่าก็เลยใช้ผ้าขาวหอ่อนั่นแหละแล้วก็เก็บบาทเก็บจีวรของท่านมา แสดงให้เห็นชัดว่าเวลาเผาศพของพระเถระเนี่ยก็ไม่เอาจีวรเผาด้วยใช่ไหมจีวร อ, ออกแล้วก็เผาหอ่หอหใช้ใช้ใช้ใช้ใชใชใชผ้าหอ่อแทนแล้วก็เข้าไปเชิงตะกอนแล้วก็เผาเผาเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวหอ่อพระธาตุท่านพระอัฐิธาตุของท่านพร้อมทั้ง เก็บบาทเก็บจีบอเก็บบริการที่ท่านใช้ทั้งหมดแล้วก็ถือไป ท, ท่านพระชนทานีก่กระจะลิกจากเดินทางจากนารันทาไปที่สาวัตถีแล้วก็เอาไปเฝ้าพุทธยาพุทเจ้าก็เรียกิกประชุมภิกษุสองแล้วก็เอาพระเอทาทัพธาตุของท่านขึ้นมาชูให้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่า ท่านผู้ใดที่มีปัญญามากมีปัญญาอย่างกว้างขวางมีปัญญาอย่างหนานแน่นเมื่อเจ็ดวันที่แล้วยังแสดงฤทธิ์แสดงปฏิหารนั้นหาประมาณไม่ได้นี้คือพระธาตุของพระเถระนั่นแล้วก็พูดถึงว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างเนี้ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไปธรรมดามีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นต้น น, นี่พูดให้เห็นความจริงของชีวิตมีเหลือแค่นี้เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ ระดับมีปัญญามากนับไม่นับเรานะไม่นับเรานะในแผ่นดินนี้จะมีใครหาปัญญามากเท่าท่านบุดนี้ไม่มีมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาที่ว่องไวมีปัญญาชำแระ ก, กิเลสเนี่ยท่านบูดเนี้ยยิ่งใหญ่มากยกเว้นเราซะแล้วเนี่ยในแผ่นดินนี้ให้มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับภาษาลิบุตนี้แต่เนี่ยผู้ยิ่งใหญ่เหลือแค่เนี้ย <c oughs> ที่เห็นเหลือแค่เนี้ยโอ้ พระภิกษุนิเทือนใจกันมากโอ้โหขนาดยิ่งใหญ่ที่สุดเหลือแค่นี้เองอขนาดนับเลยนะว่าในแผ่นดินเนี้ยยกเว้นเราเนนะียไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่าท่านภาษาริบุตรนี่ที่เป็นผู้มากในปัญญาเนี่ยพระจุนท้าเนี่เป็นหลานท่านท่านออกจากพระลสมาบัติแล้วคําว่าออกจากพระลสมาบัติแปลว่าท่านได้อะไรท่านได้เป็นพระรหันแล้วท่านก็เข้าพระลสมาบัติของท่านการเข้าพระลสมาบัตินี่ เข้าเพื่ออะไรเข้าเพื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะได้ความสงบจากกิเลสและขันห้าเป็นอารมณ์อยู่นะมีมีสภาวะของพระนิพพานเนี่เป็นอารมณ์ท่านเข้าออกจากสมาบัติแล้วนั่งข้างบนก็ได้เราจะได้ไม่ปวดดีไหมไม่ไม่ปวดขา หรือใครชอบอุ่นๆก็นั่งข้างล่าง <l acht> แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัตติควรส่วนข้างหนึ่งก็ได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่ามีทิฏฐิหลายอย่างหลายประการในโลกที่เกี่ยวกับอั ต, อตวาทะ กับที่เกี่ยวกับโลค ก, กวาทะนี่ถามเรื่องทิฏฐินะถามเรื่องทิฏฐิคือความเห็นทัศนคติคือความเห็นหนึ่งความเห็นที่เกี่ยวกับอัตตาว่าอัตตาเที่ยงเป็นต้นบ้างที่เกี่ยวกับอัตตาถ้าเกี่ยวกับอัตตาเนี่ยอย่างเราทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราไหมเรามีอัตตามีอัตาวาทุ ป, ปาทานไหมเรามีหรือไม่มี เราไปเห็นไหมว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาสังขารเป็นเราเราเป็นสังขารวิญญาณเป็นเราเราเป็นวิญญาณเราเห็นอย่างนั้นไหมไอความรู้สึกหรือความเห็นอย่างเนี้ยมันมาตั้งแต่เกิดเลยไหมนี่อัตวาทุปาทานอัตตทิฐิความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนมันฝังแน่นมาตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะ ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราก็มีความยึดติดหนาแน่นที่ติดตัวมากันจนทุกคนในทุกวันนี้แหละไม่้ในปัจจุบันนี้อัตวาทุปาทานอัตติฐีเนี่ยก็ยังฝังแน่นโดยเฉพาะมาเกี่ยวข้องกับมาบัญญัติมีชื่อขึ้นมาอีกเลยชัดเลยตรเนี้เนี่ยที่เรามีชื่อบัญญัติมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็เป็นเด็กหญิงเด็กชายก็ว่าไป แล้วต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นนายบ้างเป็นนางสาวบ้างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นนางเนี่ยม <c oughs> ันคนเดียวกันไหม <c oughs> ที่เวลาเราเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าใครสุขใครทุกข์ใครสุขใครทุกข์ใครเฉยเฉยแ ท, ท้จริงโดยความเป็นจริงคือ เวทนาต่างหากที่เขาสุขเวทนาต่างหากที่เขาทุกเวทนาต่างหากที่เขาเฉยๆแต่เราไปสำทับว่าสุขเวทนานั้นเป็นของเราเราคือเราเป็นสุขเวทนาสุขเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในสุขเวทนานั้นบางทีเราก็ไปยึดไว้ทุกขเวทนาเป็นเราเราอยู่ในทุกขเวทนานั้นทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนานั้นใช่ไหมแท้ที่จริง เวทนาเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยหรือมันเวทนากับเราเนี่ยมันคนละอย่างกันหรือมันเป็นอันเดียวกันรู้ได้ไงว่าคนละอย่างอ๋อบอกอไว้เชื่อหมดเลยเชื่อง่ายอย่างดีใช่ได้ จริงๆเราบังคับได้ไห ม, ไมไเวทนามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยหรือมันเกิดขึ้นเพราะเราบังคับให้มันเกิดได้ไไดเาเหตุปัจจัยอะไรทำให้สุขเวทนาเกิดเหตุปัจจัยอะไรทำให้สุขเวทนาเกิดอะไรเป็นปัจจัยเกิดเวทนาลองไล่ตามปฏิจจารท อะไรเป็นปัจจัยเกิดเวทนาโอ้โหเรียนยากสำหรับพวกเราซะแล้วเนี่ยอาวิชาปัจจยาสังขาราสังขารแลปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะปัจจยาใช่ไหม นามรูปังนามารูปปัปจยาสรายาตนาสรายาตนะปัจยาผัสโสผัสสะปจยาเวทนาใช่ไหมนั้นผัสสะเนี่ยเป็นปัจัยเกิดเวทนาจริงไม่จริงเรื่อจริงเลยเดี๋ยวนี้ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนานี้ภัสสะเนี่ยผัสสะทางทวารตามีไหมเขาเรียกจักรครูสัมผัส คำว่าจากักระสัมผัสเนี่ยมีอะไรประชุมกันจึงเรียกว่าจากักขูสัมผัสหนึ่งมีจกักระสาสตคือมีตาใช่ไหมสองสองมีอะไรมีจกักขุวิญญาณก็คือวิญญาณที่อาศัยตาเกิดนี่แหละสามก็มีสีมีรูปรลมสามอย่างนะหนึ่งอาศัยตาสองสีสามจากักระวิญญาณไอทำสามอย่างเนี่ย ที่มาสัมผัสกันมาประชุมกันได้มากระทบกันได้ต้องอาศัยอะไรอาศัยตัวภาษานี่แหละภาษานี่เป็นตัวเชื่อมเชื่อมให้จักขุปัสสัตคือตาสีคือรูปอารมณ์แล้วก็จักขุวิญญาณคือวิญญาณที่อาศัยตาเกิดขึ้นนี่เป็นนามธรรมาทําให้ทำสามประการเนี่เชื่อมกันได้สัมผัสกันได้ภาษาบางภาษาท่านเรียกว่ากระทบกันได้ อ้าเวลาเรามองไปที่พระพุทธรูปแล้วหน้าเราเนี่ยหนึ่งเราต้องมีจักรคุป萨ทาาาดีไหมสองต้องมีสีคือพระพุทธรูปสามก็ต้องมีจักรคุวิญญาณสี่ก็ต้องมีตัวเชื่อมคือภัสสะไอ้ตัวภัสสะเนี่ยเลยประชมุมประชุมอะไรจักขุประสาทสีจักรคุวิญญาณคือสีพระพุทธรูปเนี่ยมาประชมกัน เรียกการกระทบเกิดขึ้นการสัมผัสเกิดขึ้นการประชมเกิดขึ้นอพอมองพุทธรลก ป, ปุ๊บความรู้สึกเป็นไงชอบใจหรือไม่ชอบใจสุขเวทนาเกิดไหมหรือทุกขเวทนาเกิดหรือหรือเฉยๆเอาความรู้สึกจริงๆตอนเนี้ยหมองมองปุ๊บเนี่ยเฉยๆไหมหรือมองแล้ว สบายใจสบายใจเป็นอะไรเป็นเวทนาอะไรเห็นไหมเนี่ยสุขเวทนาเกิดใช่ไหมบางคนมองเฉยๆมีไหมเห็นไหมบางคนมองแล้วเป็นทุกข์มีไหมแต่คนที่เขาไม่นับถือเห็นมองแล้วเขามีความสุขไงเนี่ยทุกขเวทนาก็เกิดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเวลาผัสสะเนี่ยเป็นปใจใัจจัยเกิดเวทนาจริงหรือไม่จริง อลองท ว, วาทางท ว, วานหูดูนะมีโสตประสาทมีเสียงมีโสตวิญญาณทาสามประการนี้ถ้าประชุมกันเป็นผัสสะเ็เรียกโสตสัมผัสใช่ไหมถ้าเสียงชมสมมติว่าบอกโอ้โหพวกเรานี่เป็นคนที่ดูแล้ว น่าเลื่อมใสจริงๆแต่ละคนดูกระตือรือร้นนะเอาจริงเอาจังในการศึกษาพาระรมในการประพฤติปฏิบัติเออพอพอผัสสะคือเสียงที่ไปกระทบเนี่ยมีเสียงมีโสตประสาทมีศรัทธาลมมีโสตวิญญาณประชุมกันปุ๊บถ้าได้ผัสสะแบบนี้ได้เสียงแบบนี้ปุ๊บดีใจไหม ก็สุขเวทนาขึ้นมาใช่ไหมแต่ตรงกันข้า ม, มา่าแย่จริงๆเออทำไมนั่งอย่างนี้เนี่ยดูทำหน้าที่ทำไมทาอย่างนั้นโอ้โหแต่เดี๋ยวเริ่มเครียดกินแล้วเนี่ยเห็นไหมผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้อุเบกขาเวทนาก็ได้ใช่ไหม แม้ทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ที่ต้องการชี้เห็นว่าคือพูดถึงในเรื่องของอัตตาตัวตนเนี่ยนะที่สุดจริงๆเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าที่มาพูดในเรื่องตรงนี้ก็ต้องการให้เห็นว่าแท้ที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมะสภาวธรรมที่มันดำเนินไปอย่างนี้แต่เราไปยึดว่าเราเห็น แท้ทิ้งจากคูญาณเป็นผู้เห็นเราได้ยินเราได้กลิน่นเราลิ้มรสเราสัมผัสเห็นไหมเราสุขเราทุกเนี่ยเห็นไหมแท้ที่จริงสภาวะธรรมต่างหากที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วแต่เราจะรู้หรือไม่อันนั้นก็ว่ากันอีกอย่างเราได้ศึกษาเรียนรู้อย่างไรที่จะสามารถเข้าไปวิจัยแย ก, แ ย, กแยะได้หรือไม่นี่คนละเรื่องกันเลยนะถ้าเราแยกแยะได้อะไรได้เราก็ไปเข้าใจว่าแท้ที่จริงมันเป็นเพียงแค่ สภาวธรรมเท่านั้นเองที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรแต่นี้ต้องการพระเถระเนี่ยนี่จะพูดเรื่องแค่เนี้นะยังต้องขยายอย่างนี้เลยพูดถึงอัตวาทะความเห็นที่เกี่ยวกับอัตตาบางทีก็เราไปเห็นว่าเที่ยงก็มีเราเห็นว่าขาดศูนย์ก็มีเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนก็มีนี่นี่อัตวาทะไปเห็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นอย่างหนึ่งไปเห็นว่าเที่ยงก็ได้ใช่ไหม เราก็แล้ก็เห็นคำว่าเห็นว่าเที่ยงก็ยังไงเสียงชมเนี่ยเสียงชมหรือเสียงตําหนิเนี่ยเราก็อยากให้เสียงชมใช่ไหมมันเที่ยงใช่ไหมอยากให้ใครมาเกี่ยวข้องเราก็พูดกับเราดีๆแต่จริงๆไล่ความอยากความต้องการของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามความต้องการของเราได้จริงไหม เราอยากให้คนคนนี้ปฏิบัติดีกับเราตลอดไปนี่ความต้องการตัวนี้เขาเรียกว่าเราฝืนเราฝืนความจริงกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย น, นี่ส่วนโลกกว่าท้าความเห็นเกี่ยวกับโลกว่าเที่ยงเป็นต้นเหล่านี้เห็นว่าโลกเห็นว่ากระแสชีวิตเห็นว่าโลกทั้งหลายเหล่านี้มันเที่ยงแท้แน่นอนท่านก็บอกว่าเมื่อภิกษุใส่ใจเพียงปัญญาเบื้องต้น ปัญญาเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องต้นในพศูตร์เนี่ยมี4ระดับหนึ่งปัญญาที่สามารถกำหนดรูปนามได้นี่ระดับแรกๆเลยนะนี่ปัญญาเบื้องต้นของภิกษุข้ท่านเนี่ยกำหนดเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้นี่เขาเรียกนามรูปปริกเททยานระดับที่สองปัญญาที่สามารถไปกำหนดรู้เหตุปัจจัยของรูปนามได้ ไปรู้ว่าเนี่ยรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเช่นผัสสะเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยอาศัยอายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นคือกายคือใจอายตนะคือสีเสียงกลิ่นรสผดผลาและธรรมารม อายตนะคือจักขวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นทวารตาเนี่ยนะอาศัยอายตนะคือหูตาอายตนะคือสีอายตนะคือวิญญาณคือจักขวิญญาณอาศัยอายตนะสามอย่างเนี้ยประชุมกันไอตัวประชุมกันเนี่ยเกิดขึ้นผัสสะเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประสานเป็นตัวทําให้อายตนะสามอย่างประชุมกัน เมื่อประชุมกันแล้วจึงเป็นปัจจัยเกิดเวทนาอย่างเนี้เขาเรียกรู้เหตุปัจจัยของนามรูปอย่างนี้เขาเรียกเปนปัจจัยปริกหายานคือการเข้าไปรู้ปัจจัยของนามรูปตามความเป็นจริงถ้ายัางถามพวกเราว่าเอ๊ะเนี่ยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเราบอกไม่รู้เวทนาสุขเวทนาทุกเวทน า, ท เ, วนาวเวขาวเวทนาไม่รู้แต่ถ้าหากว่า ตอบตามสภาวธรรมผัดสาเป็นปัจัยเกิดเวทนาเอาเลยทีนี้แล้วเวทนาเป็นปัจจัยเกิดอะไรเป็นปัจจัยเกิดนะสุขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดกา ม, มาตัณหาเลยใช่ไหมเป็นปัจจัยเกิดภาวะตัณหาเลยโอยสุขเวทนาสมณสเวทนาเนี่ยชอบใจพอชอบใจก็อยากให้ สุขเวทนานั้นสมรสเวทนานั้นตั้งอยู่กับเรานานๆตลอดไปกลายเป็นภาวะตันหาเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าทุกเขเวทนาละ่ะเป็นปัจจัยเกิดอะไรเป็นปัจจัยเกิดวิภาวะตันหาอยากให้มันพ้นไปอยากให้มันหมดไปอยากให้มันอันตรทานไปอยากให้มันสลายไปอยากให้วิบัติไปใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเวขาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ ตัณหาแบบแบบประเภทพอใจเล็กๆ น, น้อยๆอะ่ะหรือเป็นปัจจัยให้เกิดโมหะก็ได้แต่สรุปแล้วก็คือก็เป็นปัจจัยบางคนก็ชอบเป็นความเฉยๆนะนะเรื่อยๆพร้อมที่อยากจะปรุงแต่งเป็นสุขเวทนาต่อไปสรุปก็คือว่านี่นไอตัวเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดตัณหา ทำไมเราจึงอยากคบกับคนนี้เพราะคนนี้เขาให้สุขเวทนากับเราแต่ถ้าคนนี้เขาให้ทุกเวทนาทุกครั้งเมื่อเราไปรู้จักเราอยากจะคบกับเขาไหมเ <c oughs> <c oughs> ช่นทางทวารตาเขาก็ทำรูปที่น่าเกลียดให้เราเห็นทางทวารหูเขาก็พูดแต่เสียงที่น่าเกลียดให้เราได้ยินทางทวารจมูกเขาก็ทำกลิ่นเหม็นๆให้เราได้ดม ท้งทวารลิ้นก็ทําอะรสที่ไม่อร่อยให้เราได้สัมได้กินได้ลิ้มทั้งทวารกายก็ให้แตะสัมผัสที่ร้อนร้อนเจ็บปวดแม้ทวารใจก็ให้ทรมาสเวทนากับเรามีแต่เรื่องกุ้มอกกุ้มใจตลอดเวลาเรายังอยากจะอยู่ใกล้บุคคลเช่นนั้นอยู่ไหม <c oughs> ไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่ยังไงแสดงให้เห็นชัดว่า เราอยากจะเกี่ยวข้องใครก็เพราะคนนั้นเนี่ยให้สุขเวทนากับเราแล้วเราก็อยากจะให้คนคนนั้นน่ะทำสุขเวทนาของเราให้เกิดถาวรแล้วมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ได้วความเป็นจริงมันได้หรือไม่ได้เราจะสมปรารถนาหรือผิดหรือไม่สมปรารถนาไดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์หมเนี่ยเนี่ ย, ยกับทุกวันนี้เราก็เจ็บปวดกันมาทุกวันนี้เรานึกว่าคนคนนี้แหละ เราฟันแล้วเราเลือกแล้วเนี่ยว่าคนคนนี้จะต้องให้สุขเวทนาแกเราแน่นอนพ่อจะต้องให้สุขเวทนาแกเราแม่จะต้องให้สุขเวทนาแกเราลูกจะต้องให้สุขเวทนาแกเราเพื่อนจะต้องให้สุขเวทนาแกเราพอเราไปเกี่ยวเข้าจริงจริงเขาให้อะไรเขาก็เป็นเ ข, เขาอยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมเล่าแต่นเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ท่างหากเราก็ ok เลยมาทุกข์เขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วอ้าวแต่ตอนคบกันใหม่ๆทําไมเขาไม่เป็นแบบนี้ล่ะ เราก็ยังไม่เป็นเหมือนเราเลยใช่ไหมล่ะต่างฝ่ายต่างก็ต้องเสแส้งแกล้งทำให้มันดูดีหน่อยจริงไหมจริงพระหลังจากหลังจากมาเกี่ยวข้องกันแล้วอ้าวแล้วตัวตนที่แท้จริงก็ออกแล้วจะว่าไงเนี่ยสรุปแล้วก็คือเวทนาเป็นปัจัยเกิดตัณหาใช่ไหมเนี่ยเรียกการเข้าไปรู้เหตุปัจจัยอย่างนี้ภาษาพระเขาเรียกอะไร นามรูปเขาเรียกปัจจยาปริคหายานรู้เหตุปัจจัยของนามรูปทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยถ้าเข้าไปรู้เหตุปัจจัยตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเห็นปัจจัยของนามรูปประการที่สามปัญญาระดับที่สามเขาเรียกสัมมันญาญคือปัญญาที่เข้าไปรู้ไตรลักษ์เข้าไปรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโอ้อันนี้อันนี้ยิ่งลึกใหญ่อันนี้ยิ่งยากใหญ่ อันนี้เป็นวิปัสนาปัญญาแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาแล้วเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง เ, ยเหตุผลที่เวทนาไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนานี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ท, ที่จริงแล้วเนี่ยสุขเวทนา ก็เป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่อุเบกขาเวทนาเป็นทุกขเพราะไม่รู้แท้ที่จริงเขาเป็นทุกขหมดนั่นแหละเขาเกิดขึ้นมาเขาก็เบียดเบียนบีบคั้นขัดแย้งในตัวมันเองและที่เห็นชัดก็คือเขาไม่สามารถตั้งอยู่ในสภาวะเดิมของเขาได้สภาพที่เขาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของเขานั่นแหละคือเขาแสดงความเป็นทุกขให้เห็น แต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยคิดว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเวกขาอันนี้โดยความที่นับเนื่องไปตามสภาพเขาองก็เป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเวทนาอะไรก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองอยู่แล้วคือเป็นทุกข์ที่เขาทนอยู่ในสภาพเดิมของเขาไม่ได้นี่เป็นทุกข์ใช่ไหมสุขเวทนาเป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนเป็นทุกข์เพราะวิปริณา ม, มาแล้วเปลี่ยนอยู่ตลอด ทุกเวทนาเป็นทุกในตัวมันเองเพราะตั้งอยู่อุเบกขาเวทนาเป็นทุกเพราะไม่รู้แต่สรุปแล้วเนี่ยถ้าว่าได้กดไตรลักษณ์เวทนาเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันนี้จังด้วยไม่เที่ยงด้วยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ด้วยเบียดเบียนบีนบคั้นขัดแยง้งแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัย สรุก็คือเวทนาที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรไม่เที่ยงเพราะภาษาไม่เที่ยงเมื่อปัจจัยของเขาไม่เที่ยงเหตุของเขาไม่เที่ยงตัวของเขาเองจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อปัจจัยของเขาเป็นทุกข์มีความขัดแยง้งกดดันบีบคั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้ตัวเวทนาเองจะเป็นสุขได้อย่างไรเมื่อเวทนาเนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนตัตตาอัตตามีอยู่จริงที่ไหน อัตตานะมันสมมุติกันขึ้นมันเป็นโลกกสมมุติเป็นโวหารสมมุติที่เราสำคัญว่ามันมีอยู่จริงแต่เวทนานเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะมันหาสาระแก่นสารเหล่านั้นไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะ่ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของใครมองเห็นไหมยากไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไตรลักษ สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันตกอยู่ในกฎไตรลักษ์แบบนี้แม้เวทนาก็ไม่เที่ยงแม้สัญญาก็ไม่เที่ยงแม้สังขารก็ไม่เที่ยงแม้วิญญาณก็ไม่เที่ยงแม้รูปปัจขันธ์ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่เที่ยงเซลล์ในร่างกายมันเปลี่ยนตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาไหมมันเบียดเบียนบิดขั้นตลอดเวลามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไหมมันเป็นมันอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงตรงนี้เขาเรียกว่าสัมมสนญญา ไปเห็นไตรลักษณ์ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมันบอกเอ๊ะทำไมพูดหนักไปกีป่ปอเนี่ยประการที่สี่อุทธยพยาญาณเคยได้ยินไหมปัญญาที่ไปเห็นความเกิดดับอุทธยพยาญาณปัญญาที่เข้าไปเห็นความเกิดดับ เห็นอะไรเกิดดับเห็นนามรูปเห็นเห็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเห็นกลุ่มรูปธรรมเวทนาทาไปตัน้นแนั้นเวทนาเนี่ยเอาตอนนี้ตอนนี้เวทนาที่เกิดขึ้นในในใจของเราเนี่ยเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเป็นอุเบกขาเวทนาเวทนาตอนนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมเปลี่ยนตลอดเวลาเลยไหมเนี่ย อลองลองคิดไปถึงคนที่เราเกลียดจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คิดไปหาคนที่เราไม่รู้จักเห็นเห็นแล้วเฉยๆก็เป็นอุเวกขาเวทนาคิดไปหาคนที่เราชอบเห็นไหมเนี่ยทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและเบกขาเวทนามันเปลี่ยนตัวมันเลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละแต่เราจับเรากำหนดรู้รอบรู้มันไม่ทันแล้ว เพราะเราไม่มีญาณปัญญาที่ไปเห็นด้วยความละเอียดละออขนาดนี้เห็นการเกิดขึ้นดับไปของกลุ่มรูปธรปรมและนามธรรมอยูต่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เห็นใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ในขนาดไหนเปลี่ยนความคิดขนาดไหนมันโห้โหมเร็วมากตรงนี้ที่พูดตรงนี้เพราะอะไรเนี่ยพูดถึงพระสูตรนี้ในสัจเลยกธรรมที่เราอ่านไปสักครู่เนี่ยท่านบอกภิกษุใส่ใจปัญญาเบื้องต้น คือปัญญาสี่ขั้นแรกในสรุรสายานเนี่ยก็จะสามารถทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างนั้นหรือไม่นี่พระไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าคําว่าทิฏฐิในที่นี้หมายถึงอะไรเนี่ยทิฏฐิหมายถึงอัตวาทะก็คือมิจฉาทิฏฐิที่ปารบอัตาเช่นเห็นว่ารูปเป็นอัตารูปเป็นตนเนี่ยเวทนาเป็นอัตาสัญญาเป็นอัตาสังขารวิญญาณเป็นอัตา ซึ่งเรามีอยู่แล้วตรงนี้เป็นพื้นฐานสุดๆในกระแสชีวิตของคนทุกคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เห็นด้วยความเป็นรูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราพอเราพอสุขเวทนาขึ้นมาเราจะมีความวาราูสมรม้สึกว่าเราเป็นสุขถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเราจะมีสมาว่าเราเป็นทุกขถ้าเวขาเวทนาเกิดขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกว่าเราเฉย หรือถ้าฟังเรื่องราวต่างๆปุ๊บถ้าจําได้ปุ๊ บ, บเราจะมีความรู้สึกว่าเราจําได้เราเข้าใจบางทีฟังแล้วเนี่ยไม่ชอบเราจะมีความรู้สึกเราไม่ชอบฟังแล้วเฉยๆเราจะมีความรู้ึเราเฉยๆมันจะมีคําว่าเราไปกํากับหมดเลยนะในความเข้าใจแท้ที่จริงมันใช่เราไหมมันเป็นกระบวนการของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทํากิจกรรมของมันแต่ความเข้าใจผิดทิฏฐิของมนุษย์ก็เลยไปจับทุกขั้นตอนปุ๊บปุ๊ๆปุ จะว่าเป็นเราหมดเลยเรากินเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราเขียนมันจะมีเรากากับหมดเลยตรเนี้ยใช่ไหมนะักข้าวนะัเข้าเนะี่ยไม่ใช่เราอย่างเดียวแล้วถ้าคิดนอกตัวกลายเป็นของของเรามันน อ, นอกจะพอมีเราไม่พอนะมันมีหนังสือของเรามีปากกาของเรามีเพื่อนของเรามีพี่ของเราพ่อเราน้องเราโอ้โหมันมีเราเยอะไปหมดนะักข้าวนะักข้าเก้าอี้เรา <laughs> ใช่ไหมล่ะนะครับนะครับไปไป น, นี่เนี่ยสาราของเรามันนอนอยู่ไม่กี่วันหลวกห้องของเราใช่ไหมล่ะมันเยอะไปหมดนะนี่เห็นไหมมันมีคําว่าถ้าเพราะมีเราถึงมีของของเราใช่ไหมจริงๆแล้วมันใช่ของเราจริงไหมแต่มนุษย์เนี่ยพอมีทิฏฐิมีอัตตา มีความสำคัญผิดแล้วยึดหมดแล้วแต่เนียยึดหมดแล้วถ้านั่งเก้าอี้ตอนนี้แล้วลุกไปถ้าใครมานั่งเนี่รู้สึกชื่นใจหรือหงุดหงิดมันนั่งที่เราได้ยังไงบางทีเราหน้าข้าวหน้าข้าเราไปยึดไงเนี่ยภรรยาเราสามีเราลูกเราใช่ไหมนั้นต้องเป็นของเราเท่านั้นเป็นของคนอื่นได้ไหม <c oughs> โอ้ยยุ่งเลยงานนี้เถียงกันตายเลยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่บอกอุย้ยฉันไปจดทะเบียนสมรสไ้แล้วนี่ไงของฉันจริงๆมีหลักฐานยืนยันด้วยที่ก็มีหลักฐานยืนยันด้วยใช่ไหมีมกระดาษใบนีย้ยืนยันบ้านฉันที่ฉันโอ้โหยืนยันยึดหมดเลยไม่ใช่เราอย่างเดียวนะหนูกบเขียดมูมด ที่มันอยู่ในที่ตรงนั้นเขาก็ยึดว่านั่นบ้านเขาเหมือนกันยังไงล่ะกวาดเขาวิ่งมาใหม่กวาดแล้วเขาก็วิ่งมาใหม่เพราะเขาสำคัญว่าที่ตรงนั้นก็เป็นที่ของเขามนันนั้นเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อยึดถือแท้ๆเลยนนเนี่ยใช่ไหมเหนื่อยไหมการยึดมากๆเนี่ยยิ่งมียึดมากเท่าไหร่ก็หนักมากยิ่งแบกหลายชั้นมากก็ยิ่งหนักมาก ใครมีอะไรที่เขาไปยึดถือมากเท่าไหร่ก็แบบแต่ถ้าใครละได้ปล่อยได้สลัดได้วางได้คนนั้นก็าก็ทุกน้อยใช่ไหมถลัดปล่อยวางได้หมดก็ต้องไม่ไม่ทุกข์เลยนี่คือทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนนี่แหละเป็นเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันพอมีอัตตาตัวตนแล้วมันก็ขยายไปเยอะเลย น, น่ะเข้าไปเห็นตนว่าเที่ยงก็ได้เห็นตนว่าขาดศูนย์ก็ได้ ใช่ไหมเห็นว่ามีอยู่จริงก็ได้เช่นไปเห็นว่าอัตตาตัวตนมันมีอยู่จริงก็ไปเห็นลูกมีอยู่จริงสามีมีอยู่จริงภรรยามีอยู่จริงพ่อมีจริงมันจริงหมดเลยแต่เนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ปฏิเสธแบบสุดโต่งอีกบอกไม่มีจริงเพราะไม่มีจริงเขาหยิก็เลยปฏิเสธเลยบอกว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลูก ไม่มีหลานไม่มีเราไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นสมมุติหมดโอ้ยกลายเป็นสุดตรงอีกก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นผิดอีกเห็นไหมไอ้กลุ่มที่เห็นว่ามีก็ผิดไอ้กลุ่มเห็นว่าไม่มีก็ผิดอีกนี่สุดตรงหมดเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพุทธศาสนาบอกยอมรับความเป็นจริงของโลกกับสมมุติว่ามีอยู่ตามสมมติแต่ถ้าพิจารณาไปตามความเป็นจริงมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยตามสภาวะธรรม แต่ถ้าปฏิบัติต่อการก็ปฏิบัติต่อการให้ถูกมันมีอยู่จริงโดยโล ก, กสมมุติจริงแต่โดยสภาวะมันไม่มีอยู่จริงนะเล ย, ยต้องแยกอีกเยอะเลยงานนี้โอ้โหต้องวิจัยเยอะไหมเยอะมากนี่ปัญญาในระดับพวกนี้เป็นปัญญาระดับนามรูปเข้าไปรู้ความจริงนามรูปแล้วก็พิจารณาถึงปัจจัยของนามรูปแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาและเข้าไปเจาะเห็นความจริงของไตรลักษณ์อย่างชัดเจนและแข็งแรงเมื่อไหร่ ความเห็นเกิดดับแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันถึงจะเห็นจริงนี่ปัญญาสี่ระดับอย่างนี้แหละที่สามารถที่จะละทิฐิเหล่านี้ได้ในเบื้องต้นความเห็นผิดเหล่านี้ได้ในเบื้องต้นเมื่อภิกษุใส่ใจเพียงเบื้องต้นอุบาสกวาสิกาใส่ใจในเบื้องต้นในวิปัสนาปัญญาจนสามารถทำปัญญาสี่ขั้นตอนเนี่ยคือปัญญากหนดรูปนามปัญญาที่กาหนดรู้เหตุปัจจัยนามรูป ปัญญาที่เข้าไปเห็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและปัญญาที่เห็นความเกิดดับพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจุนทะทิฏฐิมีหลายประการในโลกนี้ที่เกี่ยวกับอัตตาบ้างที่เกี่ยวกับโลกบ้างเมื่อภิกษุเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นที่เกิดขึ้นที่หมักหมมที่ท่องเที่ยวไปของทิฏฐิเหล่านั้นตามความเป็นจริงด้วยวิปัสสนาปัญญาเบื้องต้นนี้แล้ว อารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ของเราอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่เราอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราก็จะสามารถสละทิ้งทิฐิเหล่านี้ได้ละความเห็นผิดเหล่านี้ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่ปัญหาเนี้ยพรพุทธเจ้าตอบท่านจุนทะประการต่อไปก็พูดถึงเรื่องรูปฌานอรูปฌานพระพุทธเจ้าบอกจุนทะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูป ภิกษุณีบางรูปอุบาสกบางท่านและอุบาสิกาบางท่านในพระธรรมวินัยนี้คิดว่าเราอยู่ด้วยธรรมขัดเกลากิเลสแตถาคตไม่กล่าวว่าทรรมต่อไปนี้เป็นธรรมที่ขัดเกลในอริยวินัยเนี่ยไม่คือทรรมต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลในคำสอนของพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระริยะแต่กล่าวว่า เป็นธรรมะที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นอะไรเรียกว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลารู้ไหมหนึ่งปฐมฌานไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมะที่จะทำให้ได้ความสุขในปัจจุบันเท่านั้นแหละสองทุติยฌานฌานที่สองก็ไม่ใช่เป็นธรรมะเครื่องขัดเกลากิเลสในพระพุทธศาสนานี้แต่เป็นธรรมที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้น สตติยฌ า, านก็ไม่ใช่เป็นธรรมะเครื่องขัดเกลาในวินัยของพระธถาคตแต่เป็นธรรมะที่ทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 4. จตุทัชฌานก็ไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมะที่ทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 5. อากาสานัญจายตนะฌานก็ไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมะที่อยู่ในให้เป็นสุขในปัจจุบัน หอากินจัญญายตนาชานเออวิญญาณัญญายตนาชานเข้าไปนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาเนะแต่เป็นธรรมะที่ทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเจอากินจัญญายตนาชานก็ไม่ใช่เป็นธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมะที่ทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน8ดเนวะสัญญานาสัญญายตนาชานก็ไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาแต่เป็นธรรมะที่ทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันสรุปแล้วรูปประฌานสี่รูปประฌานสี่ ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลาไหมแต่เป็นธรรมะที่ทำให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันใครเข้าสมาธิระดับ8ระดับนี้ได้คนนั้นจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเ ก, ากเลาเกลิแล้วธรรมะเครื่องขัดเ ก, ากเลเาเกลิมีเท่าไหร่ ม, รมีเท่าไหร่ที่ทองเมื่อสักครู่เนี่ยมีเท่าไหร่คือหนึ่งข้อแรกว่างไงหนึ่งว่างไงชนเหล่าอื่น เนี่ยการตรึกการคิดการไข้ควรการใส่ใจอย่างนี้เริ่มขัดเกลาอยังเริ่มขัดเกลาอยังเราตั้งอัธยาศาัยว่าคนเราอื่นเป็นผู้เบียดเบียนมีวิหิงสาคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดปฏิทุสลายคนอื่นคิดให้คนอื่นวิบัติในข้อนี้เราจากไม่จะไม่เบียดเบียนก็แปลว่าอะไรคำว่าไม่เบียดเบียนคือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรล่ะ อาวิหิงสาก็คือคิดกรุณาคนอื่นไงนั่นแหละกรุณาอยู่ตรงนั้นเองก็คิดให้คนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็กรุณาเขาเห็นเขากำลังเนี่ยเห็นบุคคลทั่วๆไปก็กรุณาเขาว่าเขาเนี่ยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนประสบชาติทุกชรลาทุกเป็นต้นเหล่านี้คิด ไม่เบียดเบียนเขากรุณาเขาปรารถนาดีกับเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นการคิดอย่างนี้เริ่มขัดเกลือย่งังแต่ไม่ใช่ไปอยู่ในสมาธิเฉยเราขัดเกลเขาใจยัยยง <c oughs> <c oughs> การอยู่ในสมาธินั้นเขาเรียกอะไรการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันให้เราได้รับความสุขในปัจจุบันเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่ทำ ม, มาเครื่องขัดเกลาในวินัยของพระพุทธเจ้าในคําสอนของพระตรรมคดเจ้ามองเห็นหรือยังแต่การคิดกรุณาฝึกใจให้เป็นไปกับกรุณาไม่เบียดเบียนเขาคนาอื่นเนี่ยเขามีไหมคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นคนคิดเบียดเบียนเขาหรือกรุณาเขาเอาเราดีกว่าเอาเราดีกว่าเราเป็นคนคิดเบียดเบียนเขาหรือคิดกรุณาเขากันแน่ เอาเอาตัวเราเองเนี่ยการุณาเกิดดีหรือยังต้องยอมรับความเป็นจริงเนี่ยไม่ค่อยเราจะการุณาได้บางคนบางคนเราการุณาได้ที่ไหนเราแสดงว่าเรานี่แหละคิดเบียดเบียนเก่าเข้าใจยังถ้าคนที่เราไม่ชอบเราการุณาไหมคิดไหมว่าโอ้ขอให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิตขอให้เขามีอายุยืน ขอให้เขาอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บขอให้เขามีทรัพย์มากๆขอให้เขามีสุขติขอให้เขาบรรลุธรรมกล้าคิดไหมนี่แสดงว่าเราไม่ได้ขัดเกลวแต่เราอยากจะมีเข้าอยากจะสงบในปัจจุบันอยากจะมีสมาธิเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่ธรรมะเครื่องขัดเกลวนะบอกว่าพระเจ้ากลวไว้ใ้ไหนบอกในมันชฌิมานิกายมูลปานาตในสูตรไหนในสัลเลกสูตร บอกด้วยสูตรที่เท่าไหร่ <laughs> อันนี้นิพกเราท่องกันเลยนึกสูตรที่แปดในมูลปันาตสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องอะไรสูตรที่หนึ่งในมูลปันาตก็ว่าด้วยมูลปริยายาสูตร สูตรที่สองว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องวสภาาสวา ส, สังวรสูตรเป็นต้นไล่ไปตามลำดับนี่นะจนถึงสูตรที่8ดเนี่ยพรทิยาตรัสในเรื่องของสันเลกธรรมทำเป็นเครื่องขัดเกลาอ้าวธรรมมาเครื่องขัดเกลาข้อที่สองว่ายัางไงนนนชนเหล่าอื่นแปลเป็นโคก่าสัตถามว่า ในโลกใบเนี้ยคนที่ฆ่าสัตว์มีเยอะไหมแล้วเราอ่ะเราก็เป็นนักฆ่ากับเขาด้วยเราก็มือเปื้อนเลือดกับเขาด้วยเราไม่เว้นแม้กระทั่งยุงเ ม, ม, ม้นกระทั่งมดเม้นกระทั่งปวกใช่ไหมเราที่เป็นนักฆ่าเอาสิกว่าจะจบหมอมานี่กบตายหลายตัวนัน <c oughs> ใช่ไหมล่ะนี่นักฆ่าทั้งนั้นเลยนั่งนั่งเดี๋ยวนี่ยมือเปื้อนเลือดทั้งนั้นแหละ นั้นชนเราอื่นจกเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราจะงดเว้นจากการฆ่าตั้งสมาธานหรือยังตั้งจริงจังไหมถ้าไม่จริงจังถ้าไม่ไม่ตั้งใจอย่างแท้จริงเราจะไม่ขัดเกลาอย่างแท้จริงนี่ไงธรรมะเครื่องขัดเกลาเ็าขัดเกลาอย่างนี้มัน <c oughs> ต้องตั้งอัธยาศัยอย่างแท้จริงว่าเราจะไม่ฆ่าใครนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อันดับแรกไม่คิดเบียดเบียนไม่พอนะไม่คิดปฏิทุสลายเขาไม่มุ่งไปเบียดเบียน เ, เขาไม่มุ่งไปประทุสลายเขาไม่มุ่งให้เขาประสบความทุกข์ไมพอเราจะไม่คิดฆ่าไม่มีมีเกจกจํานงที่จะไม่ฆ่าใจก็ต้องเป็นไปกับเมตตาด้วย ใ, ใจต้องเป็นไปกับเมตตาด้วยเนี่ยขัดเก๋วยังเริ่มขัดเก๋วยังตอนนี้ยเริ่มตั้งแต่วันไหนขณะนี้ด้วยต้องขณะนี้ด้วย ไม่ใช่ไปบอกว่าฉันทำไม่ได้ถ้างั้นก็ไม่มีสันเลกระทก็ไม่น้อมที่จะขัดเกลารเาพราะน้อมจะขัดเกลาแล้วจิตใจเป็นยังไงจิตใจก็โปร่งโล่งแล้วก็เบาใช่หมต่อไปเราจะไม่มีเวรไภเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วเรายกมือขึ้นมาดูเราโห่เพื้อนเลือดมานานแล้วต่อไปจะไม่แล้ว จะไม่ประทุษร้ายใครอีกแล้วจะไม่เบียดเบียนใครอีกแล้วจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วชนเราอื่นทําเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะน้อมไปในการขัดเกล้าเราจะเดินตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาทานหรือยังตั้งใจอย่างตั้งใจจริงไหมเออตั้งใจจริงจริงใช่ไหมล่ะจะได้ไม่เหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้พูดกับฝ่ายผู้ฟังใช่ไหมล่ะจริงไม่จริง จะไม่คิดเบียดเอาถ้าเราโกรธพ่อน้อยใจพ่อน้อยใจน้องน้อยใจพี่น้อยใจเพื่อนโกรธเพื่อนไม่พอใจคนอื่นอันนี้แปลว่าเราเบียดเบียนเขาหรือไม่เบียดเบียนเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนแล้วคิดโกรธเขาไม่พอใจเขาเบียดเบียนไหมแสดงว่าข้อแรกเราไม่ผ่านนั่นเลยแล้วคิดเบียดเบียนนะโกรธเขา่แถ้าโกรธเขาทําไม b n g à y Evan, Evan, Evan. Ồ. อย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ขัดเกลาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากบเกลือนกลบเกลือนเอาอะไรมากดกบทับไว้เพื่อให้ไม่มองเห็นแค่นั้นเองมันเหมือนเอาเหมือนไฟนะไฟถ่านไฟที่มันยังคลุอยู่แต่เราขี้เท่ากลบไว้แต่มันยังไม่ดับไฟนั้นยังมีอยู่มันได้เหตุปัจจัยมอลองเคี่ยกลี้เท่าออกมาเลยมันจับเร้วร้อนทันทีมันจะร้อน ใช่ใช่ใช่ใช่ใชช่ไม่เบียดเบียนต้องไม่เบียดเบียนต้องกรุณาเขาคือรันอันดับต้นเลยนะการที่เราจะรักษาคนอื่นเนี่ยหนึ่งต้องมีอวิหิงสากับเขาเอายอมพี่หญิงใหญ่มองมาที่อาตมาสมมุตินะต้องมีอวิหิงสากับอาตมาก็คือไม่คิดเบียดเบียนมีกรุณา มีความกรุณาในกระแสชีวิตว่าท่านจะต้องถูกความเกิดเบียดเบียนความแก่เบียดเบียนความเจ็บเบียดเบียนความตายเบียดเบียนจะต้องถูกความโศกความล่ําไยลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเบียดเบียนท่านจะต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องขับทายต้องนาพากระแสชีวิตบริหารกิจกรรมร่างกายชีวิตยกขันธพาะในการยืนเดินนั่งนอนโอ้ท่านก็ต้องลําบากนะเนี่ย กระแสชีวิตหนึ่งๆเนี่ยการคิดอย่างนี้ก็การุณานี่อันดับแรกนี่ก็คือรักษาสองต้องมีขันติขันติคืออะไรยอมรับในสิ่งที่พระท่านเป็นท่านจะมีพฤติกรรมอย่างไรในการยืนการเดินการนั่งการนอนการแสดงออกอยังไงกระบวนการความคิดยังไงยังไงก็ยอมรับในสิ่งที่เ็าเป็นรับได้ด้วยปัญญา ยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจใช่ไหมตรงเนี้ถ้เาเหมือนเราไม่พอใจพอ่อโกรธนี่ท่านไมนาเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้แปลว่าเราเบียดเบียนหนึ่งต้องไม่เบียดเบียนสองก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นในสิ่งที่แม่เป็นในสิ่งที่ลูกเป็นในสิ่งที่ภรรยาเป็นสามีเป็นหรือเพื่อนเป็นยอมรับได้ด้วยปัญญาอันดับแรกยอมรับก่อน ถ้ายอมรับแปลว่าสภาพจิตเรานั้นต้องแข็งแรงจิตต้องตั้งมัน่นจิตต้องไม่หวั่นไหวจิตต้องมีความสุขกับการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนั้นแต่ส่วนที่เราจะไปแก้ไขได้หรือแก้ขไขไม่ได้ต้องพัฒนาว่าความสามารถเราถึงหรือเปล่าใช่ไหมที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยถ้าความสามารถยังไม่ถึงอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอากาศมันขนาดเนี้ยอากาศมันสิบแดองศาแล้วตอนเนี้ยยี่สิบองศาแล้ว แต่เราอยากให้มันอยู่แค่สิบเจความสามารถถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาแต่ถ้าความสามารถถึงก็เอาอะไรมากัน้นปุ๊บปุ๊บ ป, ป, ป, ป, ป, ปุติดแอร์ตูมเลยได้ได้เฉพาะแค่ตรงนี้ความสามารถได้แค่นี้ถ้าความสามารถมากก็ติดทะพุเขาทั้งลูกเลยเป็นเหมือนเซลเซนทันไปเลยเจ็บ an <laughs> ไหมเราติดจริงไม่จริงเนี่ยความสามารถมันถึงไงแต่ถ้าไม่ถึงก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาก่อนในสิ่งที่มันเป็น ในธรรมชาติที่มันเป็นแบบนั้นมองออกไหมไอ้ตรงนี้มนุษย์มักจะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมันก็ทุกทุกใจไหมล่ะทุกไหมทุกถ้าเราคิดแย้งกับความเป็นจริงขัดแย้งกับโลกขัดแย้งกับความเป็นจริงลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่เราอยากให้เป็นอีกอย่างทุกไหมถ้ายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก่อน ถ้าต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็วัดกันที่ความสามารถวัดที่สติปัญญาวัดที่ความรู้ความเข้าใจว่าเราจะให้เหตุปัจจัยยังไงที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเออมาวัดกันอีกทีแล้วก็ต้องมีเมตตาเขามีกรุณาเขาก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่เราคิดถึงคนอื่นแล้วมีใจที่เป็นไปกักกุศลอย่างนี้ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเป็นไปกับกรุณาเมตตาเป็นไปกับขันติความยอมรับได้เป็นไปกับการ มีไม่ตีจิตเขาอย่างนี้ชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาผู้อื่นในขณะที่รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนด้วยในขณะที่ยอมพี่หญิงใหญ่ไปโกรธคนที่ไม่ตนเองไม่พอใจไปเกลียดไม่พอใจนั้นเชื่อไม่รักษาคนอื่นและในขณะเดียวกันเชื่อว่าไม่รักษาตนเองด้วยเพราะตอนนั้น ท, ทําใจตนเองเครียด ท, ทําใจตนเองเป็นทุกทําบาปให้เกิดขึ้นกับตนเอง กำลังปททุสลายตนเองด้วยนอกจากปัททุสลายคนอื่นไม่พอยังปัททุสลายตนเองด้วยก็จะยังเบียดเบียนคนอื่นไม่พอยังมาเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนตนเองยังไม่พอเชื่อเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วก็ไม่ไม่พัฒนาปัญญาด้วยกักปัญญาด้วยทําให้ตนเองประสบความทุกข์ด้วยไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยในญาณนี้พุทเจ้ากล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในทเวทาวิตกสูตรในมัชฌิมนากายมูลวนาฏ นี่พระดิจ่าบอกอย่างนี้เอาแล้วสิแบบ น, นี้เริ่มมองเห็นนี่ยังสรุปแล้วก็คือไม่ควรโกรธใครหลักการมีแค่เนี้เอ๊ะทางนั้นก็แ yeah, ย่สิฉันก็ไม่เป็นตัวของตัวเองสิฉันต้องมีอิสระเสรีภาพฉันจะโกรธใครก็ได้ฉันก็เกลียดใครก็ได้ฉันจะรักใครก็ได้จริงไม่จริง ใครอยากจะโกรธใครก็ได้เกลียดใครก็ได้รักใครก็ได้ชอบใครก็ได้ทำอย่างไรก็ได้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพใช่ไหมนี่ใช่เสรีภาพไหมเนี่ยและเสรีภาพคืออะไรเราชอบใครเราเกลียดใครเรารักใครเราคิดอยากส่งเสริมช่วยเหลือใครอยากประทุสล้ายใครก็ได้การเป็นในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลส ไม่ได้เป็นอิสระเสรีภาพจริงหรอกเป็นทาสของกิเลสแล้วถูกกิเลสบงการจำกับบังคับกดกดขี่เราอยู่เมื่อเขาต้องการให้เราเกียดใครเราก็ไปเกียรติองการให้เราไปรักใครก็ไปรักเราที่แหละเป็นคนที่เป็นทาสของกิเลสนี่แหละเราทำไมต้องมาประกาศตนเองว่าขอเลิกจากความเป็นทาสของกิเลสขอมาเป็นทาสของ พระพุทธเจ้าการเป็นทาตของพระเจ้าก็คือพุทธธาตปชื่อของปัญญาใช่ไหมตรัสรู้เราต้องการเป็นทาตของปัญญาเราต้องการเป็นทาตของศีลของสมาธิของปัญญาเป็นทาตของอริยมรรคบีองแปดก็คือเป็นทาตของพระราตนตรัยถ้าเราเป็นทาตของพระราตนตรัยแปลว่าเราจะเป็นอิสระเส ร, รีภาพจากกิเลสล้วอยากจะให้ปัญญาวงการชีวิตเราหรือให้กิเลสวงการชีวิตเราเราอยากจะให้กิเลสเนี่ยกดขี่เรา ยอมเป็นทาตกิเลสหรือยอมเป็นทาตของปัญญาก็เลือกเอาถ้าเป็นทาตุของปัญญาเขาเรียกเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเป็นทาตของพระธรรมเป็นทาตของพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธะสาหัสสมีทาโสวพุทโธเมสามิกิสรเนี่ยข้าพเจ้าเป็นธาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นธาตของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นธาตของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าใช่ไหม ก็แปลว่าเราอยากเลิกจากความเป็นทาสของกิเลสคือราคะตัวสามโมห oh ะมาขอเป็นทาสของพุทธธรรมสังฆาดีกว่าแล้วถือว่าเป็นอิสระเสรีภาพไม่ยอมเป็นทาสกับใครอีกต่อไปดีไหมดี โ, อ, โอยากไหมเนี่ยพยาย์บอล อเข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้เข้าใจที่เป็นอยู่ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าใจเรามันยังแผ่ไปไม่ได้ก็ก็ฝึกแผ่มุมอื่นก่อนอันดับแรกก็คือให้รักตัวเองให้เป็นก่อนที่เราเป็นอย่างนี้นะบ่งบอกว่าเรารักตัวเองไม่เป็นเมื่อเรารักตัวเองไม่เป็นเนี่ย เราก็เลยรักคนอื่นไม่เป็นด้วยอะไรเรียกว่ารักคนอื่นไม่เป็นเมตตาเราเนี่ยนะในขณะที่บอกว่าเราคิดเบียดเบียนเขาเราคิดเบียดเบียน เ, เขาถามว่าในขณะที่เราฆ่าสัตว์เออขอในขณะที่เรากโกรธเราหงุดหงิดเราเกิดความ โลบความโกรธความหลงในขณะที่เราทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะกายก็เป็นบาปบาจาก็เป็นบาปใจก็ไม่สะอาดในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่อย่างเนี้ยอย่างนี้ชื่อว่าเบียดเบียนตนใช่ไหมและคนที่เบียดเบียนตนอย่างเนี้ยจะเชื่อเป็นคนรักตนได้ยังไงเมื่อเรายังทําบาปให้กับตัวเองตลอดอย่างเนี้ย ถ้าเราปรารถนาความสุขความสวัสดีความสําเร็จให้ตัวเองก็อย่าทําบาปใช่ไหมก็อย่าไปทําชั่วทีนี้เรายังประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตอยู่เลยเนี่ยอย่างนี้จะชื่อว่ารักตัวเองได้อย่างไรอย่างนี้ชื่อว่าเบียดเบียนตนใช่ไหมในขณะที่เราทำทุจริตให้เกิดขึ้นกับต น, น, นเองอยู่ต่อเนื่องเนี่ยเช่นทำกาเมวิตกให้เกิดขึ้นกับตนกําหนัดยินดีเพลิดเพลิพน แล้วก็พยาบาทวิโตก็โกรธเกลียดไม่พอใจวิอยงนี้สาวิโตก็คือคิดนะปะัสสาวลายทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยในขณะนี้เชื่อเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนตนไหมเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นได้ไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมไม่พัฒนาปัญญาด้วยเป็นไปกับความทุกข์ไหมไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่คือไม่รักตน มนุษย์เนี่ยความไม่รักตนเนี่ยมันมันเข้าใจยากมากนะเรานึกว่าที่เราโกรธเนี่ยเรารักตนนะที่เราโกรธเราไม่พอใจคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าเรารักตนเราอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็คิดว่าเรารักตนเรารักคนอื่นนะถ้าเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่เป็นไปตามที่เราบงการเราก็คิดว่าเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่รับความปรารถนาดีกับเราเราก็โกรธเขาไม่พอใจเขานะ เราคิดว่านี่คือการกระทาที่ถูกนะคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่อย่างเนี้ยตอนนั้นใจเป็นยังไงใจเป็นทุกข์ใจมีของเสียใจไม่สะอาดเอี่ยมอ่องฟ่องแผ้วใจมีมนทินใจหงอยเหงาว้าเวทุกข์เครียดวิตกกังวลเป็นไปกับความทุกข์ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ตนถูกเบียดเบียนเต็มที่อยู่แล้วเมล่ะและบุคลิกภาพ ออกมาเป็นยังไงสีหน้าแววตาพฤติกรรมที่ออกมาโอ้โหออกมาเป็นทุกหมดเลยหยาบหมดเลยกระด้างหมดเลยอ่ะเห็นไหมหนึ่งจิตใจสองบุคลิกภาพอันนี้เบียดเบียนตนสุดๆแล้วทั้งรูปขันก็ถูกเบียดเบียนนามธรรมก็ถูกเบียดเบียนทั้งกายและใจตัว เ, เองก็ถูกเบียดเบียนทั้งทั้งเลือดที่หมุนเวียนในร่างกายไม่เป็นปกติแล้วสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ทั้งหลายถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา เนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนตนชัดๆแล้วทีนี้การเบียดเบียนตนเองแบบนี้ไปกระทบคนอื่นเขาอีกทาให้คนอื่นเขาต้องได้ทุกได้ความเดือดร้อนได้ความไม่สบายใจเขาอีกเอาชื่อเบีดเบียนคนอื่นอีกบรรยากาศในบริเวณเหล่านั้นเสียหายไปหมดเลยตอนนี้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยปัญญาไม่เกิดอีกกักปัญญาอีกไม่พัฒนาปัญญาอีกเป็นไปกับความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลอีก ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างเนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันถึงจะละได้ว่าโอ้โหมันเป็นโทษในตัวมันเองและเป็นโทษในการต่อมาด้วยมองเห็นอย่างเดีนเนี้ย <c oughs> นี่แหละเนี่ยลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาละเมื่อสักครู่กันเลยว่าตอบประเด็นปัญหาว่าเอาแล้วคนนี้เขาเคยบัทุษร้ายเรา ไปปฏิทุสลดยเราถามว่าคนที่ปฏิทุสไลายเราได้มากที่สุดคือตัวเราเองเนะคนอื่นปฏิทุสลายเราได้น้อยมากใช่ไหมถ้าคนเขาจะด่าเราเนี่ยเขาด่าได้ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็เหนื่อยแล้วแต่ตัวเราที่มาด่าตัวเองเนี่ยมันด่าได้ตลอดเลยเนะเก็บมาทุกมาก้มมาเครียดมานเนี่ยใช่ไหมล่ะ คนที่เขาด่าเราเนี่ยอาจจะแค่เห็นปุ๊บแป๊บเดียวแค่นั้นเน่ยผ่านหูไปแล้วเสียงนั้นก็ดับไปแล้วพฤติกรรมนั้นก็หมดไปแล้วแต่อีที่เราจําพฤติกรรมแล้วเอามาคิดเอามาไตรตรองเอามาเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้ต่างหากปัญหามันอยู่ที่นี่แหละมันอยู่ที่กระบวนการความคิดของเราพฤติกรรมของเราที่ไปรับมาแล้วก็มา เบียดเบียนตัวเองแล้วแล้เล่าๆดิแหละเคยเป็นไหมเคยเป็นโรคแบบนี้ไหมเป็นบ่อยไหมแล้วทำไงวิธีแกลืมๆมันปะอย่าไปคิดอะไรมากเขาว่างั้นนะเขาสอนกันแบบเนี้ยก็ลืมๆไปอย่าไปคิดอะไรเยอะเรา แ, แก้ปัญหาแบบนี้ไหมแกแก้ปัญหาบอกวา็อย่าไปคิดมันก็อย่าไปนึกถึง อย่างเยอะแตอย่างเช่นอย่นี้แล้วมองไปที่นี่เป็นทุกข์กับมองไปที่อื่นนะก็อย่าไปมองที่ไปตรงนั้นจะสอนกันยังไงนนะอย่างนี้เป็นการแก้ปัญหาแก้ที่ต้นเหตุหรือว่าแก้ที่ปลายเหตุอไม่ได้แก้ที่สมุทัยนะเนี่ยามาแก้ที่ทุกข์สัตย์มาแก้ที่ผลเอาพอพอมองเห็นประเด็นนี่อย่างแต่เนี้ยสรุปแล้วก็คือว่าแล้ว พอเกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจเนะี่ยมันถึงจะแก้ปัญหาได้เนาะถ้าไม่เกิดปัญญาและเกิดความเข้าใจมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยเนะี่ยปัญญาต่างหากเป็นตัวแก้ปัญหาใช่ไหมสรุปแล้วตรงนี้ก็คือให้สังเกตดูในสังเ ล, งเลรรนะกระทำเนี่ยข้อที่3าก็ว่าไง ในข้อนี้เราจะเป็นผู้จะเงาจะงดเว้นอย่างน้เอาในเราเห็นเยอะไม่คนที่รักทรัพย์เนี่ยเยอะ<ม>เคยไหมหมอเคยรักทรัพย์ไหมไปทํางานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเราทำงานเวลาไปทํางานต้องลงชื่อไหม ต้องไปตอกบัตรต้องไปลงชื่อต้องไปไม่มีกําหนดเวลาต้องไปเซ็นชื่อลงเวลาไหมไม่ต้องอเลยหรืออ๋อถ้าเป็นงานราชการก็ลงเนาะพทํางานเอกชนก็ไม่ลงนะเลยเลยออย่างีงทําเป็นชั่วโมงเอ๋อทำเป็นเคสเลยอ๋อไม่ได้ ไม่เคยลักทรัพย์เลยแม้แต่โกงเวลาใครก็ไม่เคยโกง <c oughs> เอาไม่นม บ, บางทีเราก็นึกว่ารักทรัพย์ก็นหนึ่งลักเฉพาะเป็นตัวที่ไหนได้ตัวเวลาทำงานแปดโมงเราไปลง <c oughs> เขากำหนดแปดโมงแต่ เ, เราไปเก้ามาลงแปดนี่นี่ก็อธินาทานแล้ว งั้นคนเราอื่นเป็นผู้รักทรัพย์ในข้อนี้เราจะงดเว้นจากการรักมันยังมีอาการลักอีกเยอะแยะหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะคอร์รัปชันเนี่ยมีเยอะบางทีมันต่อให้สแกนลายนิ้วมือยังนี่คอร์รัปชันกันได้เลยเอาข้อที่สี่ว่างไง เราจะประพฤติพรหมจรรย์อันนี้คือก็ขัดกล่าวแบบประเภทที่จริงๆเลยนะเนี่ยจะไม่ประพฤติจะประพฤติพรหมจรรย์ก็คือเว้นจากเมตุนธรรมเว้นจากอาการของคนคู่แต่ถ้าหากคนที่มีครอบครัวก็สมาทานเฉพาะคู่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองถ้าใครไม่มีในเรื่องนี้ก็สมาทานนี่เป็นเรื่องขัดเก่าไหมเนี่ยเจตจํานงความจงใจและตั้งใจที่ขัดเกา่าแล้วก็ดําเนินชีวิตในการขัดเก่าด้จริงด้วย เอาชนเราอื่นเป็นผู้กล่าวเท็จใช่ไหมเราเคยโกหกไหมถามจริงเนี่ยเนี่เนี่ยก็แปลว่าเราไม่ขัดเกลาร์สิเนี่ยเห็นแล้วไหมเนี่ยแสดงว่าจริงๆเราเป็นคนดีหรื อ, อยังเราอยากจะเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่กล่าวเท็จอยากไหม ทำไมยากทำไมเรามีความจำเป็นที่จะต้องโกหกเลยมีเรื่องเยอะเลยใช่ไหมที่เราจะต้องกล่าวเท็จ <c oughs> อ๋อแล้วเราพูดไม่ใช่เราเราเราพูดอย่างอื่นได้ไหมพูดให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นเช่นเรายังไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็บอกเขา้าไปที่ยังไม่ถึงกำลังไปอยู่แล้วจะกล่าวเท็จไหมแบบนี้ แล้วก็บอกที่บอกว่าเดี๋ยวไปถึงก็รู้ เ, เรื่องจริงไหมไปถึงก็รู้เราไม่ได้บอกใกล้จะถึงหรอกเดี๋ยวไปถึงก็รู้อ๋อฟองี้เองเป็นเหตุแห่งการขับรถเร็วใช่ไหมเพรางคนโกหงต้องขับรถเร็วเพื่อจะออกกิจวัเพราะจะต้องกําหนดเวลาใช่ไหม ก็จริงๆแล้วการพูดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยไม่มีเจตจํานงที่จะไปโกหกมันไม่ได้เรื่องโกหกนะยกตัวอย่างเช่นว่าขายของเนี่ยเขาถามว่าต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยไม่มจําเป็นที่เราจะต้องไปบอกแล้วก็บอกว่าการค้าขายมันก็ต้องมีกําไรทางนั้นแหละคนก็ไม่ต้องมาถามต้นทุนลอกถามไปทําไมแล้วมันมีทุกแห่ง ก, ก็ต้องมีแต่จะกําไรมากกําไรน้อยก็ว่ากันอีกที ฉันก็ต้องดําเนินชีวิตในการที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นจนเกินไปและในขณะเดียวกันฉันก็ต้องดําเนินชีวิตในการที่ต้องอยู่ในโลกใบนี้ได้โกหกที่ไหนแล้วแบบเนี้เขาเรียกฉลาดในการใช้หัวหันเขาใหญ่ยังต้องมาเรียนรูกกระพ้าเยอะเลยเนี่ภาษาไม่ได้มีเจตนาโกหกเลยจะมเจตนาในการที่จะเกื้อหนุนพูดให้คนสมัครสมานสามัคคีพูดให้เขาพูดให้เขาได้ความสุขพูดให้เขาได้กุศลใช่ไหม หพูดจริง2ประโยชน์พูดคําที่เป็นประโยชน์3ถูกการ4พูดด้วยเมตตาพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตานี่ยหลักการในการพูดคนเราอื่นพูดเท็จในข้อนี้เราจะไม่เปิดเท็จต่อไปคือคนเราอื่นพูดส่อเสียดเราเคยพูดไหมพูดส่อเสียดเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าพูดส่อเสียดเนี่ยส่อ คำว่าพูดส่อเสียดนี่แปลว่าพูดให้คนเขาทะเลาะกันพูดเมื่อพูดแล้วเป็นเหตุทำให้เขาทะเลาะกันพูดแล้วให้คนออกมาเดินขบวนโกรธอีกคนเงี้ยเนี่ยไอ้ส่อเสียดพูดให้คนแตกนะ่ะปกกระดมทั้งหลายเหล่านี้เป็นส่อเสียดหมดแหละพ่อแม่พี่น้องไอ้คนคนนี้มันไม่ดีฉะนั้นเราต้องขับไล่มันตรงนี้เงี้ยนะนี่ส่อเสียด ย้ายามันมีแผ่นดินอยู่อะไรเงีกยว่าไปเหอะเนี่ยเนี่เนี่ยสเสียดกันพูดแตกกันไงพูดแล้วคนแตกกันพูดแล้วคนทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยเีกว่าวาจาส่อเสียหยาบด้วยส่อเสียดด้วยแล้วก็ไปดูรายละเอียดพูดจริงครึ่งเดียวด้วยพูดไม่หมดอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเล ย, ย, น, น, ย, ยมมลนะแต่เมื่อพูดแล้วคนทะเลาะ ก, กันเลยคนแบ่งกันเป็นกกเป็นหมูไอเราเป็นพวกคนดีไอพวกนี้คนไม่ดี เคยไหมเคยเค ย, เคยแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ เ, กเรียกส่อเสียงั้นคนส่วนมากก็เป็นกันอย่างนี้แหละบางทีก็พูดสองคนให้ใหสองคนแตกกันให้สองกลุ่มแตกกันคนนี้อย่าไปคบเมื่อวานนี้ไปนุนินทาือรับไม่ได้เลยว่างั้นนึงไปอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไอ้คนเนี้ยมันเล่นเองตั้งแย่เลยสองคนเขาเลยทะเลาะเขาเลยทะเลาะกันแล้วก็หันมารักเรา นี่เป็นต้นนี่สอเสียดอันตรายไหมฉะนั้นเราก็สมาทานนี่ขัดเกลวนี่เป็นปัญหาระดับศีลเลยนะเนี่ยปัญหาชั้นระดับศีลเลยเนะียคนเราอื่นเป็นผู้ส่อเสียดในข้อ น, นี้เราจงไม่ส่อเสียดข้อต่อไปว่าคําว่ากล่าวคําหยาบนี่คืออะไร อาหยาบหยาบแบบไหนอะไรเรียกว่าหยาบพูดหยาบก็คือพูดด้วยด้วยโทสะพูดด้วยโทสะเคยพูดไหมพูดด้วยโทสะแล้วแล้วแล้วเชื่อไหมคำหยาบบางอย่างเป็นคำไพเราะมากเป็นคำพูดไพเราะมากแต่พูดด้วยความโกรธนะบอกว่า มีคนมาลาจะกลับไปเชิญไปไปไปซะไปไปแล้วไม่ต้องกลับมาแต่ในใจเราให้ไปตายเนี่ยในใจเรานึกอย่างนี้เลยเคยไหมไปเชิญไปที่ชอบที่ชอบเถอะแต่ใ น, ในใจเราเนี่ย น, นึกให้เขาไปตายซะเนี่ยคําหยาบเคยไหมเคยใช่ไหมเนี่ยเงี้ยเขาเรียกหยาบนันเนี่ยเพราะพูดด้วยโทสะ ภาษาไม่หยาบนะแต่จิตหยาบในใจเราโอ้คิดถึงมากฉันรักคุณมากแตในใจด่า่ชั่วสดเลยแต่พูดออกมาแค้นออกมานี่เป็นภาษาหยาบมันออกมาจากจิตที่หยาบมาจากจิตที่มีของเสียเต็มไปหมดเห็นไหมการพูดภาษาของคนเมืองก็จริงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันสภาพจิตใจต้องเป็นไปกับกุศลด้วยถึงจะเรียกว่าวาจาไม่หยาบชนเราอื่นก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละวาจาที่จะล้วงเงินจากกระเป๋าคนอื่นเนี่ยหรือคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดประทุษร้ายคนอื่นใช่วาจาอีกเยอะมากที่เราใช้วาจากันเป็นสำนวนเป็นภาษาที่มันไม่ได้ออกจากกุศลและจิตเลย แต่ภาษาบางอย่างหยาบๆเลนะอย่างสมัยพ่อคุณรามเนี่ยก็โกมึงเนืแต่เขาพูดเป็นปกติแต่พูดด้วยใจที่มีเมตตาได้เนี่นก็ต้องดูดูด้วยนะอา้าวเพอเจอร์ยังไงคําว่าเพอเจอฮะคาว่าเพอเจอร์ใช่ไหมเราเคยพูดเพอเจอร์ไหมเช่นยังไงอา้า พูดเรื่องไม้เรื่องนกเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องพลาจะเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยคือมันพูดพูดไปเรื่อยเรื่รืืไม่ได้สรุปลงเรื่องบุญเรื่องบาปไม่ได้สรุปลงเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยเจออะไรพูดได้หมดแหละโอ้ต้นไม้ต้นนี้เห็นอะไรก็พูดไปเรื่อยเรื่รื่รืแต่ไม่ได้สรุปเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเพื่อเยอนะ ฮะฮะมันไม่มีสาระไงมันไม่สาระมันไม่ได้ให้ปัญญาเลยเลยมันไม่ให้ให้กระบวนการศึกษาเลยให้แต่เสพอย่างเดียวให้แต่ความสึกเสพสนุกสนานเพลินเพิไปอย่างเดียวเช่นละครเนีไยเล่าเรื่องละครเล่าเรื่องโกหกทั้งหลายเหล่านี้ชอบเอามาเล่ากันอยู่นั่นแหละเรื่องโกหกเรื่องไม่จริงเนี่ยที่เขาเขียนแต่งกันขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้มี ไม่ไม่ได้มีข้อคิดใดๆที่จะเป็นเหตุให้มนุษย์ไปทำดีทำชั่วอะไรเนี่ยเคยไหมมีเรื่องแบบนี้มีเยอะไหมล่ะนั่นแหละอย่างนั้นคือ letter, เรสเจอร์ ster. กรรมของเพรสเจอร์ถ้าให้ผลในปัจจุบันสุดๆเลยคืออะไรรู้ไหมคือจะต้องไปพูดคนเดียวเคยเห็นคนยืนพูดคนเดียวเดินพูดคนเดียวไหมตามตอกซอยต่างๆนั่นแหละคือกรรมเพรสเจอร์ถ้ามันให้ผลถึงสุดแล้วในปัจจุบันนะพบในเป็นมนุษย์อยู่นี่นะก็คือไปพูดคนเดียว บางคนเคยเสียงไม่นั่งอยู่ศาลาแล้วก็พูดอยู่คนเดียวปั๊บปับๆอยู่งั้นแหละเดินพูดไปเรื่อยนั่นแหล ะ, ลหละกรรมเพ้อเจอ้อมันจะให้ผลอย่างนั้นแะที่สุดจริงๆ จ, จะให้ผลแบบนั้นแค่กรรมที่เบรกไม่อยู่พูดไปเรื่อยๆื่อยนึกอะไรก็พูดพูดพูดพูดไปเรื่อยงั้นเราเห็น เห็นคนที่ได้รับผลของกรรมเพ้อเจ้อแล้วก็ตระหนักเขาไว้ว่าต่อไปฉันจะไม่เพ้อเจ้ออย่างนี้อีกแล้วเท่ากรรมให้ผลขึ้นมาเราก็จะต้องไปนั่งพูดคนเดียวน่ะเข้าก็ไม่มีใครฟังเราเคยเห็นไหมเคยเห็นคนพูดคนเดียวไหมนั่นพอเห็นป๊อกก็นี่นะกรรมเพ้อเจ้อเป็นยังไงคนเราอื่นจะเป็นผู้เพ้อเจ้อในข้อนี้เราจะไม่เพ้อเจ้อเอาข้อต่อไป เราเราจากอะไรอ้าวเพ่งยังไงเพ่งเลงเข้าใจคำนี้ไหมอยากได้ไม่พอแล้วก็น้อมเอาเป็นของตนเองเห็นเห็นเห็นสามีของคนอื่นโอ้โหหน้าตาหล่อจังสมมตินึงหน้าตางก็น้อมเอามาเป็นของตนเองเคยเป็นไหมคิดนั่นแหละคิดใช่ เห็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็น้อมหนึ่งอยากได้เราน้อมไหมน้อมจินตนาการเอาเป็นของตนเองไหมอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้แค่ความโลภธรรมดาฮะบางทีเราไม่ได้สิ่งนั้น แ ต, แต่เราก็มาจินตนาการเอามาเป็นของเราน้อมเอาเป็นของเราเลยใช้จิตของเราเนี่ยขโมยเอามาไม่เคยหรือบางคนเคยมากเลยนักจินตนาการทั้งหลายทั้งถามยมบีเนี่เคยเยอะอย่างเงี้ยเห็นบ้านเห็นเห็นบ้านสวยๆเบ็เสร็จแล้วเราก็น้อมจินตนาการเสมือเหมือนหนึ่งเป็นของเราไปเลยอ่ะเรามาจินตนาการน้อมมาเป็นของเราแล้วก็จินตนาการปรุงแต่งว่าเราได้บ้านแบบนี้ดีอย่างเงี้ย ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอภิชาเนี่ยเป็นกรรมรบดกรรมนี้ให้ผลและตกนรกด้วยตกนรกสิหนึ่งมถามว่าในบรรดากายกรรมวจีรกรรมมโนกรรมนี่อะไรที่มีรุนแรงมากที่สุดเอางี้เนี่ยสล า, าหลังนี้เกิดขึ้นด้วยกรรยายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยสมริดผลก่อน เพราะความคิดปรุงแต่งว่าอยากได้สถานที่เหล่านี้ปรุงแต่งไม่รู้กี่ล้านล้านรอบจนสําเร็จทางด้านมโนโกรรมแล้วมันถึงออกมาเป็นการกระทําเครื่องบินที่มันบินขึ้นบนฟ้าได้เพราะมโนโกรรมเรือดําน้ําที่ดําลงไปในน้าได้เพราะมโนโกรรมเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่าเนี้อินเทอร์เน็ตโดยไอไโฟนไอแพด ท, ทั้งหลายเหล่านี้เลยเนี่ยเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันมาจากมโนกรรมมาจากจินตนาการทั้งนั้นมาจากเจตคณะติเจตจํานงความจงใจทั้งนั้นแหละ มันสำเร็จลงในจิตใจเรียบร้อยเบียดเ็จแล้วมันถึงออกเป็นการกระทํามโนกรรมมันสําคัญที่สุดการบรรลุธรรมได้ก็เพราะมโนกรรมการขัดเกาอกิเลสก็เพราะมโนกรรมนะไม่ใช่กายกรรมวจิกรรมนอะในกายกรรมเป็นถูกกากับมาอีกทีหนึ่งนี่ความคิดแบบนี้มันจะเป็นกุศลหรอกุศลได้มันจะมโนกรรมบรรลุธรรมได้กับมโนกรรมทําบาปมหันต์ได้กับมโนกรรมนี่แหละมโนกรรมมันสูงสุดฉะนั้นความคิดโลภอยากได้คนอื่นด้วยน้อม ถ้าอยากได้ธรรมดายังไม่สำริจเป็นกรรมบทแต่ถ้าน้อมสิ่งนั้นมาเป็นของตนเองเมื่อไรปุ๊บสำลิดผลตอนนั้นทุกขณะที่น้อมมา <c oughs> อันนี้เป็นเป็นมโนกรรมที่เป็นทุจริตเป็นเหตุแห่งการที่ทําให้ทรัพย์วิบัติด้วยนะถ้าให้ผลในปัจจุบันก็คือมีทรพัรพย์ทรัพย์ก็วิบัติทรัพย์ก็จะละลายไปเรื่อยเนาะมีทรพัรพย์ทรัพย์ก็วิบัติหามาได้ก็หมดไปหามาได้ก็หมดไป เนี่ยมันจะหมดไปด้วยไอ้กรรมประเภทนี้แหละ <c oughs> เหนื่อยคนที่มีโมโนกรรมทุจริตในข้อเนี้ยเหนื่อยเยอะเหนื่อยเยอะมาก <c oughs> เรามองไม่ออกว่ามโนกรรมมันรุนแรงใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม อ่าวค่อยๆ ค, คนทีละคนอันนี้เป็นมโนโทุจริตเป็นพยาเป็นเป็นมโนโทุจริตคิดเบียดเบียนเขานี่สมริดผลแล้วเราคิดอยากจะทำให้มันตายแหละแต่เพราเอินมันไม่มาจับเราก็เลยไม่ฆ่าอันนั้นใช้มโนกรรมสมริดผลไปแล้วอ่าไม่ต้องอะไรเราขับรถเนี่ยมีคนขับรถปาดหน้าปุ๊บเรากำนึกมาไปตายใช่ป้ะ ไอ้ในใจเราคิดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นมโนโทุจริตหนึ่งโกรธด้วยสองคิดให้เขาวิบัติแล้วโกรธใครก็แล้วแต่ขอให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้มันอายุสั้นขอให้มีวิบัติมีทรัพย์ขอให้วิบัติเนี่ยเรียกเนี่ยมโนกรรมเนี่ยเป็นมโนทุจริตคิดประทุษร้ายเขาเรียบร้อยแล้วนี่สมฤทธิ์ผลเป็นมโนกรรมมโนกรรมเหล่านี้ถ้าให้ผลถ้าให้ผลก่อนตายนะก็ลงอบายทุกขติวินิบัติในะรกไป มันไม่ได้เหมือนแล้วมันเรียบร้อยไปแล้วมโนกรรมเนี่ยมันสำคัญกว่ากายกรรมสําคัญกว่าวิจีกรรมเพราะมโนกรรมเนี่ยมันกํากับกายกรรมวิจีกรรมอีกทีหนึ่งเพราะมนุษย์นี่แหละปรุงแต่งกระบวนการความคิดที่เป็นมโนกรรมเนี่ยจนรุนแรงมากขึ้นมันถึงการเปลี่ยนมาเป็นกายกรรมเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมมันถึงเราจะเปลี่ยนสฐานฐานที่ตรงเนี้ยมาจากมโนกรรมเลยนะ เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากป่าให้เป็นเป็นภูเขาหวาัวล้นก็ได้เราจะทำเมืองตรงนี้เกิดขึ้นมาก็ได้เราจะทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรืองก็ได้และเราจะทำให้ป่าไม้มันเกิดขึ้นนี่เขียวสวยสดงดงามก็ได้มันมาจากมโนกรรมมันถึงมากระทำออกมามันสาเร็จทางมโนกรรมเรียบร้อยแล้วมันวางแผนวางแผนผังในใจเรียบร้อยเสร็จมันสำเร็จผลไม่รู้กี่ล้านล้าลลน้ล า, น า, น า, น า, นานครั้งแล้ว การตั้งเจตนาที่จะบรรลุธรรมมาจากมโนกรรมนะการตั้งเจตนาที่จะไปไปทำบาปอกุศลต่างๆก็มาจากมโนกรรมนี่แหละฉะนั้นคนเราอื่นน่ะก็มีความคิดแบบนี้อภิชาอยากได้ของคนอื่นแล้วก็นอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองเราจะไม่มีอภิชาแบบนี้เราจะมีอนาพิชาคือการไม่อยากได้ของคนอื่นและจะไม่นอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองมันมีมันมีหลักการวินิจฉัยอยู่2หลัก หนึ่งอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองสองน้อมเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองด้วยใจเนี่ยสองหลักเนี้ยเขาเรียกว่าครบกรรมบทครบกรรมบทเมื่อครบกรรมบทแล้วเนี่ยมันสมฤตเป็นอมโนกรรมมันเป็นมโนทุจริตกรรมเหล่าเนี้ยมันจะให้ผลยังไงถ้าให้ผลในปัจจุบันตนเองก็มีทรัพย์ก็ต้องจากจากทรัพย์มีบุตรมีภรรยาทั้งหลายเหล่าเนี้ยเพราะเราน้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบทำ เคยทำแล้วสิท่าก็เลยพยายามจะหาคำอธิบายว่าเออเราไม่ผิดเป็นอย่าง้นไหมอ๋อมันไม่น่ามีผลใช่ไ้มเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อมันถามว่ากรรมเนี่ย มันมีกี่ทางกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมอะไรใหญ่สุดเอาเราก็ยอมรับแล้วไปยเออมนโนกรรมในใหญ่สุดกรุงเทพที่มีตึกรามบ้านจ่องช่องเนี่ยเธอท้าจนทุกวันเนี่ยจนเข้าไปจุดไหนก็ติดก็ติดเนี่ยเพราะเพราะอะไรนั่นแหละมนโนกรรม อ๋อไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ผิดกรร ม, มาบททางด้านศีลห้าแต่ไปผิดทางด้านทางด้านของด้านจิตใจแต่ด้านมนโนกรรมศีลเนี่ยวัดกันที่ว่าวัดกันที่ล่วงละเมิดทางกายกรรมวจีกรรมแต่ทางด้านมนโนกรรมมันไปผิดกรรมมาบทเพราะการรักษาการจะเป็นมนุษย์ได้เนะี่ยต้องศีล5กุศลกรร ม, มบท ก็คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็สัมมาทิฏฐิด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะรักษาศีลแค่รูปแบบแต่ในใจยังพยาบาทยังทุจริตยังไรแม้จะรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์ได้ก็เฉพาะลมหายใจยังมีอยู่เท่านั้นตายแล้วแค่เอาอัตภาพความเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้แล้วเพราะคนจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยศีลห้ากุศลกรรมบทต้องแข็งแรงในกุศลกรรมบทนั้นต้องคือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิด้วยใช่ไหม หลักการคืออย่างนี้จริงอยู่คุณไม่ได้ล่วงละเมิดศีลห้าหรอกเช่นคุณโกรธเขาคุณอยากให้เขาวิบัติคุณอยากให้เขาตายคุณอยากให้เขาเราอยากได้สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองแล้วเราก็มีความเห็นผิดด้วยว่าโอ้เนี่ยถ้าปลาจะบาปได้ยังไงมันเป็นอาหารของเราไม่เห็นต้องบาปเลยอันนี้เป็นการปฏิเสธผลนะเนี่ย ปฏิเสธเหตุด้วยนะปฏิเสธการกระทําด้วยนะเป็นอกิริยทิฏฐิด้วยนะเนี่ยเป็นอหตยะุกาทิฏฐิด้วยไม่เชื่อเหตุไม่เชื่อว่าทําเหตุคือการฆ่าปลาแล้วมันจะบาปไม่เชื่อผลว่าเออมันจะมีผลทําให้ตนเองอายุสั้นยังไงทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บยังไงไม่เชื่อผลแล้วก็ไม่เชื่อว่าการกระทําคือการเข้าไปฆ่าปลาเข้าไปทุบปลาเนี่ยมันเป็นบาปเป็นอกุศลไม่เชื่อการกระทําเป็นทั้งอหตยะุกขทิฏฐิปฏิเสธเหตุเป็นทั้ง นติกาธิฏฐิปฏิเสธผลเป็นทั้งอกิริยทิฏฐิปฏิเสธการกระทาว่าไม่เป็นกรรมนี่ไหมความเห็นแบบเนี้ยแรงหมท้กคนทุกวันก็เป็นกันอย่างงี้ทั้งนั้นใช่ไหมหรอก็ต้องปล่อยไปแต่ประเด็นก็คือต้องชี้เอาเหตุเอาผลมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้อา้าวประเด็นก็คือว่าเราคิดว่าคิดไม่เป็นไง ถามว่าก่อนที่เราจะเรียนจบหมอเนี่ยมาจากอะไรนั่นแหละกระบวนการความคิดความชอบเจตคติเจตจำนงความจงใจและตั้งใจมโนกรรมล้วนๆเมื่อมีมโนกรรมเหล่านี้แล้วต่อมาก็มีการกระทํามาแล้วก็ฝังมโนกรรมเหล่านี้ในส่ญจริงเราก็ได้เป็นใช่ไหมเนี่ยมาจากมโนกรรมเห็นไหมผลมันยิ่งใหญ่ไหมล่ะ ถ้าคนที่จะเป็นโจรก็เพราะมะโนกรรมคนจะเป็นทหารก็เพราะมะโนกรรมจะเป็นตำรวจก็เพรา ะ, ะก็พราะกรรมพวกนี้แหละเพราะเจตจำนงจงใจและตั้งใจนี่แหละแล้วก็จิตใจนะั่นแหละก็ผลักดันการกระทาคําพูดและการพฤติกรรมต่างๆออกมาแล้วก็ได้สมฤทธิ์เป็นตามที่ตนเองตั้งใจนั้นแม้อยากจะเป็นพระทหารยังมาจากมโนกรรมเลยเนี่ยมาจากการขัดเกลาคิดแบบเนี้นะเข้าจะเป็นพระรหารนาเนี่ยสี่สิสี่อย่างเนี่ยคิดไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจะบรรลุธรรม เนี่ยสันเละกระทเนี่ยทําเป็นเครื่องขัดเกลาถ้าฝึกให้ได้ครบทั้ง44ข้อนี่นะจะบรรลุธรรม <c oughs> <c oughs> นี่ยหลักหลัก <c oughs> แล้วอยากจะบรรลุธรรมไว้แล้วอยากบรรลุธรรมก็ท่อง44ข้อแล้วก็ไปฝึกเอาไปไต่ตรองเอาไปไข่ควรที่สุดจริงๆเราจะได้บรรลุธรรมแต่ต้องทําความเข้าใจทุกข้อให้ได้นะ อนนี้มาติดตรงมโนกามาชักไปไม่เป็นแล้วตอนนี้พอเป็นเอ้าก็ไม่เป็นไรไม่ไปไปไม่ถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นพระอริยะก็ไปเป็นปุทุชนปุทุชนก็มีสองส่วนอันทาภาระพุชนกับกัลยาณพุทุชนถ้าอันทาภาระปุทุชนก็เป็นปุทุชนแบบหนาหนามีกิเลสแบบหนาหนา มีความโลภ แ, แบบนั้นหนาความโกรธแบบนั้นหนาความหลงแบบนั้นหนาแล้วก็เนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าการคิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นบาปอากุศลใดดเพราะแค่ความคิดเราไม่ได้ไปลงมือทำเนี่ยเนี่ยบริชนแบบนั่นหนาก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วจะมีโอกาสเป็นมนุษย์แต่เพียงว่าลมหายใจยังมีอยู่เท่านั้นแหละอย่าตายเด็ดขาดหายใจไว้หายใจไว้ พยายามหายใจไว้อยู่ น, น, นานๆอยู่ น, น, นานๆรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์เขาไว้เพราะเรามีความคิดที่ไม่สามารถที่จะรักษาคุณธรรมของความเป็นมนุษย์อยู่ได้เลยนกุศลกรรมบทเดินไม่ได้แล้วแล้วเราจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงเราก็เป็นได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นแหละแล้วก็เจอใครก็บอกว่าเนี่ยฉันจะเป็นได้เพียงแค่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าลมหายใจขาดเมื่อไหร่ฉันจะรักษาอัตภาพรักษาแชมป์ไม่ได้เสียแชมป์ด้วย เสียแฉมความเป็นมนุษย์ด้วยถูกป้นไปทันทีนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ายังอยากเป็นมนุษย์อยู่ก็ศีลห้ากุศลกรรมบทแต่ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็จเจริญให้ครบสี่สิบสี่ข้อก็จะสามารถที่จะเป็นพระริยาได้ถ้าอยากจะเป็นแค่มนุษย์อย่างเดียวก็เอาแค่กุศลกรรมบทไม่ต้องครบสี่สิบสี่ข้อแค่กุศลกรรมบทชสิบแล้วก็รักษาศีลห้ากุศลกรรมบวแค่เนี้ยเป็นมนุษย์ได้ แต่ต้องการอยากพัฒนาเกิอนจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาสู่ความเป็นพุท ธ, ธาก็ให้ครบสี่สิบสี่ข้อดีไหมเนี่ยก็มีหลักอยู่หรือไม่อยากเป็นมนุษย์เลยไม่อยากเป็นอะไรเลยก็ไม่ต้องไปฝึกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็หมดอยู่แล้วรอลมให้ใจขาดเมื่อไหร่ล้วก็ไม่ต้องเดียเป็นมนุษย์อีกก็แค่นี้เองหลักการนี้พระเจ้าไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรกับเราเลยนะ พระเจ้าบอกหลักการว่าทางนี้ไปนรกนะทางนี้ไปสัตว์เดรัจฉานทางนี้ไปเกิดเป็นเปรตทางนี้ไปเป็นสุรกายทางนี้เป็นมนุษย์นี่เป็นเทวดานี่เป็นพรหมนี่เป็นภรรยะบอกไว้แล้วเชิญท่านทั้งหลายเลือกเอาแต่ถาคดไม่ทุกใจเลยเพราะเป็นผู้บอกอยากเป็นอะไรก็ทําเอาอย่างนี้ชัดเจนดีไหมชัดเจนก็เลือกเอาที่อยากเป็นอะไรก็เลือกเอาก็ทากรรมตามนั้น อยากจะเป็นอยากจะเป็นหมอก็มีเจตจำนงจงใจตั้งใจศึกษาวิชาการแพทย์ไปอยากจะเป็นตำรวจก็ศึกษาวิชาการเป็นตำรวจอยากจะเป็นทหารก็ศึกษามีเจตจำนงจงใจตั้งใจก็จะได้เป็นทหารอยากจะเป็นพ่อค้าอยากจะเป็นนักธุรกิจใช่อยากจะเป็นชาวนาอยากจะเป็นชาวสวนใช่ไหมอยากจะมีบ้านเล็กในในอะไรน่ในป่าใหญ่เหมือนยมวีก็มีเจตจำนงจงใจตั้งใจเอาทาเดี๋ยวก็ได้เป็น อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำนาเป็นชาวนาเนี่ยก็ตั้งใจเจตจํานงตั้งใจที่จะเป็นก็ได้เป็นแม้อยากจะเป็นพระอริยะก็ทํามีเจตจํานงจงใจตั้งใจแต่ต้องมีหลักการทั้งหมดแหละแล้วเรียนรู้ฝึกก็ได้เป็นแม้อยากจะเป็นสัตว์นรกสัตว์ดิบฉานเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมก็เพราะกรรมเพราะเจตจานงจงใจตั้งใจที่จะเป็น นั้นเป็นได้หมดเลยจะเป็นคนขี้โกรธก็ได้จะเป็นคนมีเมตตาเพราะกรรมเนี่ยจะจำนงที่มองโลกในแง่ร้ายลองทําดูดิเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอะไรก็ไม่พอใจใส่ใจเรื่อยๆเราจะเป็นคนขี้หงุดหงิดเราจะคนขี้โกรธจะเป็นคนมีเมตตาก็ได้มีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนเนี่ยแผ่เมตตาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เราจะกลายเป็นคนมีเมตตาอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่มองเห็นหรือยังเริ่มเห็นคําสอนคุณพระยาชัดเจนดีไหม นั้นอันอภิ ช, ชาก็คือโลภอยากได้ของเขาหนึ่งโลภสองน้อมมาเป็นของตนเองครบครับสองถ้าอันหนพิ ช, ชาก็คือไม่โลภและก็ไม่น้อมเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองถ้าปรารถนาจะได้อะไรก็ทำเอานะทำด้วยเร็วแรงด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วเราก็จะประสบความสาเร็จตามนั้นข้อต่อไปว่าไง เราเคยพยาบาทคนอื่นไหมหนึ่งโกรธ 2. คิดให้เขาวิบัตินะครบ2ประการ เ, เนี่ยถ้าเราอยากมีโรคภัยแค่เจ็บมากอยากอายุสั้นนะอยากให้คุณภาพชีวิตไม่ดีมีแต่โรคภัยเบียดเบียนสภาพร่างกายอ่อนแอทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้นะก็คิดแบบนี้บ่อยๆทดลองได้เลยนะ1โกรธ 2. คิดให้เขาวิบัติคิดให้เขาวิบัติตซับ คิดให้เขามีทรัพย์ก็ทรัพย์จงวิบัติมีสุขภาพก็จะเป็นโทษให้มีโรคภัยไข้เจ็บให้เขาไม่ฉลาดนะคิดไปเรื่อยๆนะอันนี้จะไม่ได้แนะนํานะแต่หมายความว่าถ้าคิดแบบนี้ทําแบบนี้ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมีทรัพย์ทรัพย์ก็วิบัติมีครอบครัวครอบครัวก็จะแตกแยกมันอยู่ที่เจตจํานงและความจงใจของเราที่จะคิดและจะบอกให้คนเขาวิบัติด้านไหนแล้วกรรมมันก็จะให้ผลตามเหตุนั้นๆแหละ ตามอัธยาศัยนั้นนั่นหละเคยใช่ไหมเคยโกรธแล้ว เ, เคยคิดถ้าเขาวิบากเคยใช่ไหมบ่อยไหมโอ้โ ห, หน่ากลัวเนะยเช่ น, นถ้าคนคนนี้เราไม่ชอบอา้าวตอนแล้วเราเกิดทันซัดดำหุเซนไหมตอนเสียชีวิตเนี่ยทันใช่ไหมไม่หมายถึงรุ่นเด็กๆที่ทันกันอยู่ ทันใช่ไหมตอนนั้นน่ะตอนที่เขามีคำสั่งจากประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยส่งหน่วยเจลาจนที่ไปฆ่าสดดัมเบิลเซนเนี่ยมันจะมีสามกลุ่มนะหนึ่งกลุ่มสั่งคนที่สั่งเซ็นคาสั่งสองคนที่ไปปฏิบัติตามคำสั่งสามคนเชียร์พวกเราอยู่กลุ่มไหนตอนนั้นเราดีใจไหม เราดีใจไม่เราคิดว่าแผ่นดินจะสูงขึ้นใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วการฆ่ามันเคยลดลงไหมตั้งแต่ซัดดัมพุเซนตายแล้วแสดงว่าความเชื่อของเราถูกหรือผิดกรรมคือคนสั่งให้คนไปฆ่าคนที่เซ็นคำสั่งหรือสั่งด้วยวาจาหรือด้วยคำาด้กลข้อเขียนนกรรมนี่ถ้ให้ผลตายแล้วเกิดเป็นสัตยนรกจะเป็นสัตยนรกคนที่ไปทำตามคำสั่ง โดยซื่อสัตย์ด้วยสุจริตด้วยความไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่ทำตามคําสั่งอย่างเดียวด้วยความเชื่ออันนี้ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้กรรมนั้นให้ผลคนที่เชียร์ดีใจเย้ยวเย้เยวเยเห็นคนอื่นตายเนี่ยกรรมนี้ถ้าให้ผลแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตมันเป็นอย่างนี้นะโดยเหตุผลมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เยอะมากในโลกใบนี้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันน่ากลัวอย่างเนี้ย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราไปไปคิดว่าสิ่งที่เราทำาน่มันถูกไงและหลายหลายคนก็คิดว่าจะเป็นผู้ตัดสินว่าคนคนนี้สมควรอยู่คนคนนี้สมควรตายแต่จริงๆแล้วโดวยหลักข้อเท็จริงของกฎความจริงคือกรรมที่เขาทำเนี่ยมันจะเบียดเบียนเขาอย่างไรแต่มนุษย์มาตั้งกติกาขันเองกติกานั้นไปสอดคล้องอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นกฎสมมต กั้กติกาเอามนุษย์ทักคนหนึ่งเอาไปเป็นผู้นำมนุษย์คนหนึ่งเอาไปเป็นผู้พิพากษามนุษย์คนหนึ่งเอาไปเป็นทหารมนุษย์คนหนึ่งเอาไปเป็นตำรวจเนี่ยใครอยากเป็นอะไรก็มาบอกว่าเอาตั้งเจตจำนงกติกาทำข้อตกลงได้ไปเป็นหมอเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาเป็นทหารเป็นผู้เพชิคุงเพชิญาศก็ตั้งเจตนากันนี่มันกฏสมมุตินะแต่ตั้งกดสมมตินี่มันไปเบียดเบียนคนอื่นจริงๆนะ กระแสชีวิตของเขายังไม่สมควรตายแล้วก็ไปตัดรอนชีวิตเขาใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปตัดรอนชีวิตเขาเนี่ยยิงอยู่เขาบอกถ้าไม่ทําอย่างนี้โลกมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ว่ากันไปนี่คือกฎสมมุติแต่กฎสมมติถ้าไปขัดแย้งกับกฎความจริงเมื่อไหร่ก็เป็นอกุศลกรรมนะก็ไปตัดรอนและที่สุดจริงๆไอ้กรรมที่ทนะําเนี่ยคนนั้นนีก็ต้องได้รับผลการกระทําด้ว ย, เ, ยเมื่อเนี่ยนี่มันกฎความจริงธรรมชาตินะ ไม่มีใครไปดนบันดาลคุณตกนรกขึ้นสวรรค์แต่เจตนากรรมที่คุณทํานี่แหละกรรมมณียามเนี่ยกดความจริงก็กดแน่นอนกดแห่งกรรมที่ทคุณกระทำนี่แหละมันก็ส่งผลเบียดเบียนทําให้กระแสชีวิตของคุณเนี่ยสุจริตกรรมหรือทุจริตกรรมเนี่ยมันเป็นญาติญาติที่ถาวรญาติที่แท้จริงเรามีพ่อชั่วคราวใช่ไหมแม่ชั่วข้าวลูกชั่วข้าวภรรยาชั่วคราวสามีชั่วข้าวเพื่อนชั่วคราวเนี่ยนี่ชั่วคราว แต่สามีที่แท้จริงพ่อที่แท้จริงภรรยาที่แท้จริงลูกที่แท้จริงก็คือสุดจริตกรรมและทุตจริญกรรมไหมทรัพสมบัติเงินทองรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองบุตรหลานญาติมิตรอันนี้เป็นสมบัติชั่วคราวแต่สุดจริตกรรมและทุกจริตกรรมเนี่ยเป็นสมบัติที่ถาวรใช่หสุดจริตกรรมก็ตามส่งเสริมกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิด ทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดเรามีสามีบางครั้งสามีก็อุปการะเราบางทีก็เบียดเบียนเราก็ชั่วข่าวแต่สุจริตกรรมเลยทุจริตกรรมเนี่ยเป็นสามีที่แท้จริงถ้าเป็นสุจริตกรรมเป็นสามีที่ดีก็ตามส่งเสริมในทุกอัตภาพที่เกิดถ้าเป็นสามีที่ไม่ดีก็เป็นทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนทุกอัตภาพที่เกิดใช่ไหม นี่เป็นกรรมเรื่องห่างเป็นสามีดีแท้จริงเป็นพ่อแม่ปู่ตายายยายเป็นลูกดีแท้จริงนั้นสวจริญกรรมเลยทุตเจริญกรรมเนี่ยมันจะตามทั้งเบียดเบียนตามทั้งส่งเสริมกระแสชีวิตใช่ไหมเออเนี่ยถ้ามนุษย์เข้าใจอย่างเนี้กรรมมาทายาทกรรมโยนีกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสรณะเรามีกรรมเป็นทายาทอยากมันไมเป็นญาติของเราเนี่ยอย่างนี้ญาติทั่วคราวแต่แต่กรรมนี่เป็นญาติท้าวรสวดจริตกรรมเลยทุจริญกรรมกรรมบางอย่างเบียดเบียนไหม เบียดเบียนกรรมบางอย่างส่งเสริมไหมสนับสนุนสนับสนุนกรรมจึงเป็นทายาทที่แท no ้จริงเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ <c oughs> ์พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นชั่วข้าวแต่กรรมสุจริตกรรมหรือทุจริตกรรมเป็นพ่อแม่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถาวรตามเบียดเบียนก็ได้ตามส่งเสริมก็ได้กรรมมโยนี้เรามีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขเหล็กแห่งเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมล่ะกรรมเนิดเนี่ยเป็นเหตุ สุดจริตกรรมก็เป็นเหตุแห่งความสุขทุตจริญกรรมก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมล่ะเรามีกรรมเป็นที่พึ่งล้านึกว่าโอ้โเนี่ยที่พึ่งที่แท้จริงคือสุดจริตกรรมอะไรทุตจริตกรรมพะจะมองเห็นหรือยัง <c oughs> แล้วข้อสุดท้ายอะไรนะเมื่อกี้ว่าคนเราอื่นเป็นอะไรอีกข้อหนึ่งมิจฉา เราจะเป็นถามว่าคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ 99% นี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิส่วนใหญ่เขาก็เห็นผิดกันถทาทั้งนั้นแหละเราก็เคยเป็นแบบนี้มาก็เหมือนเราบอกว่าถ้ากบฆ่าปลาฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่บาปไหมเราเอา้าถามว่าเป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาชีวะนี่เขาก็มีออกมีกฎหมายรับรองลงค่าสัตว์ สมาชิว่าหรือมิฉาชีวะเลยโรงฆ่ า, ศ า, ศาสาต์เนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็าบอกมันไม่บาปล็อกก็มันมีได้รับอนุญาตถูกต้องใช่ไหมประมงเนี่ยอาชีพประมงเนี่ยทำไมก็ถูกต้องตามกฎหมายลงฆ่าหมูลงฆ่าอัวฆ่าควายเนี่ยมีหมดแหละฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตอนเนี้เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยไก่ไตาย นาทีหนึ่งไม่รู้กี่แสนตัวปืดปืดปืดปืดปืปืดปเนี่ยเขาเขาถูกต้องของเขานั่นตามกฎหมายแต่นั้นแหละหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนคนอื่นสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็โดนเบียดเบียนนี่เป็นอย่างนี้นะนี่ความเห็นของเขาอย่างนั้นเนะี่ยมันเห็นผิดด้วยเห็นถูกก็ น, นี่ไงคนส่วนอื่นก็เป็นแบบนั้นการคนเหล่าอื่นก็เป็นอย่างนั้นการแต่เราจะไม่เห็นอย่างนั้นเราจะทําสัมมาทิฏฐิ ให้มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิฉลาดในเหตุฉลาดในผลฉลาดในกรรมและผลของกรรมนี้เป็นต้นนี่ไงธรรมะเครื่องขัดเกลาต้องขัดเกลาตั้งแต่พื้นฐานสุดๆอย่างนี้ย <c oughs> ถ้าไม่ขัดเกลาอย่างนี้เราเราจะพ้นทุกอย่างไงในชีวิตเนะี่ยใช่ไหมล่ะไม่ต้องพูดถึงเลยเอามีใครจะถามอะไรง ไ, งไม่เหลือสิบนาทีมีไหมยังนะเอาอุทิศต น, นกุศลกันทั้ง